بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ا ل م س ت ض ع الكريم وعلى ع ل ه الطيبين الطاهرين و ا ص ح ا ب ه الهجر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى و د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا نحكي نحن نكتب سورة يونس يونس ب ن ا سورة لم شياء علماء إن ك ا ن เป็งุอ่านเป็นหมวดหมวดหมวดแรกในอัลติวัลสุรายาวๆเริ่มจากบากรอถึงอัตลเล่ลัมฟัลสุราอูนุสจะเริ่มเป็นสุราที่มีอีนรละสุราที่มีอายะจำนวนองค์การหนึ่งร้อยขึ้นไปกาตทไารนี่ก็จะเป็นสุรายาวๆทั้งนั้นไปถึงกาฟีอิสุราหนุนนะสุราที่ยาวเหมือนกันนะแต่ไม่ยาวถึง สูงรัรียกของเราคุรานสรดยูนัสโดยเฉพาะในวิสุรห์ที่มีเมกิสุรหในกุรานนี่ตัวประธานลงมาทั้งบททั้งสุรเลยทั้งูรที่มีเหมือนสรดยูนุสสรดยูสุฟยูซุฟนี่ก็ทั้งบทเหมือนกันในศาสนาอุลยมาส่วนมากเรืองอันามแต่ส่วนมากกุรานไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะส่วนมาก สุราต่างๆบทต่างๆนี้ก็จะถูกรวบรวมซึ่งองค์การนายยะต่างๆมาประกอบเป็นสุราเดียวด้วยการชี้นาของท่านนบีสุลต่ามการเรียบเรียงของท่านสุรยูนุสโดยรวมเป็นสุโรที่อัลลอประทานลงมาที่มักกะนี่เมืองมักกะมีวัตถุประสงค์สาคัญบอกใจทานบีสุลต่าเยอท่านุูนวสุอลฮะลมที่มักกะนเสบาีน ถูกต่อต้านผู้ปฏิเสนีได้ต่อต้านท่านนบีสุลต่าิซะแล้วเมียงยังรุนแรงและเป็นการปอบใจทุกคนที่เดินตามรอยเท้าของท่านนบีคือคนที่ทำงานศาสนาเผยแพร่สีจธรรมแล้วต้องมาพบกับอุปสรรคพบกับการต่อต้านแรงต้านจากผู้อื่นซึ่งมันต้องมีเสมอ อย่าว่าอย่าว่าจะยึดมั่นในศัตธรรมหรือจะนับถือศาสนาอิสลามนะไหมไม่ต้องนับถือศาสนาอิสลามก็ได้เป็นคนไม่ใช่มุสลิมก็ได้แต่ขอให้ยึดมั่นในความจริงความถูกต้องอะไรสักอย่างหนึ่งดูดีในสังคมบ้านเราทาอะไรถูกต้องพูดอะไรถูกต้องนี่ก็มันจะมีแรงต้านอิสลามจึงเป็นศาสนาสุดท้ายที่จะยกเลิกทุกศาสนาอื่นแน่นอนต้องต้องมีแรง แรงต้านสูงมากยิ่งอิสลามมาเรียกร้องให้มนุษย์เนี่ยได้บอยขอดอบียมุกสิ่งที่สร้างความงมงายสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นคนงวอเขาเป็นคนไม่มีปัญญาแม้ว่าจะในเรื่องเนื้อหาสาระที่ตัวเองบริโภคเอามาบรรจุเป็นวิถีชีวิตหรือจะเป็นสิ่งที่บริโภคเป็นอาหารการกินเนี่ย ที่มันจะทำลายสุขภาพทำลายสติปัญญาอย่างเช่นสิ่งมึนเมาอิสระทั้งหมดเนี้ยให้เราบอยคอตต่อต้อตานคนที่ถือผลประโยชน์ของอบยมุกเหล่านี้เนี่ยเขาต้องต่อต้อตานลองไปแจกใบปลิวดิในแถวแถบที่มีผับมีขายเบียร์ขายเหล้าแจกใบปลิว อ, อันตรายของเบียร์ เบียร์ทั้งหลายนะเบียร์ที่มีตราสัพพสักทั้งหลายเนี่ยลองแจกใบปิวดีดูดิพวกเจ้าของร้านเนี่ยเฮ้ยพังทำอะไรแจกอะไรก็เขาทำมาหากินเรื่องนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ถือาวุธไม่ได้อะไรนะแค่แจกบอกว่าเล่านี้ตามสถิติตามแพท่ตามวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอันตรายอย่างงู้นอย่างงี้แค่นั้นแหละไม่ได้ คุณกำลังมีปัญหากับรายได้ของเขาท่านนบีสุลต่านลรวส้นล้ด้วยคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยจึงมีสถานะเป็นศาสนาที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงลูกแน่นอนแรงต้านมัมนจะใหญ่หลวงขนาดไหนนบีก็ต้องเผชิญกับความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งของคนที่ไม่เอาไม่เอาเนี่ยไม่เอาเรื่องศาสนาสัจธรรมความจริงที่มันจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาาไม่เอาเขาต้องแสดงจุดยืนมีบางคนที่ถามว่าเขามีจุดยืนด้วยเหรอคือจุดยืนนี่มันมันบวกหน่อยใช่ไหมใช่เพราะบางคนเนี่ยมีจุดยืนในความชั่วของเขาเนี่ยมากกว่า จุดเย็นของคนที่มีความจริงและสัจธรรมสําหรับเขานี่ก็ถือว่าเออเขาถือว่ายินหยัดเหมือนกันนะเออยินหยัดมันก็บวกเหมือนกันนะแต่เราจะบอกว่าคนนี้กินเหล้าทุกวันเขายินหยัดนะ่ะเออบวกไหมมันก็บวกสําหรับจุดนี้ไงอีกอายันหนึ่งอรรถบอกว่าอามาดเดล่า เรื่องของบรรดามุ้ริกินที่เขาบูชาเจวิดเนี่ยแล้วเราจุดยืนของเขานี่ยว่ากาละมะละอุมินฮุมอุมชนของเขาเหล่านั้นนะที่เขาบูชาเจวิดเนี่ยอิมชูับรุอาลัยฮะติคุมเดินหน้าต่อไปอิมสุเดินหน้าต่อไม่ต้องฟังเสียงมุฮัมมัดเสียงพวกที่เขาจะต้องการให้เราห่างออกจากเจวิดของเรา ว่าสบิรุ่งฮาล ل สบิรุ่งข่าวบอกว่าจงอดทนโอ้ข้าข้าสงสียสับบัด้วยนะสับบัดในการทำชิรกิจอดทนในการตั้งภาคกจกับพระเจ้านีจุดยืนไหเนี่ยจุดยืนะจุยืนองค์ข้าตรอบขอลี่ฟ้าท่านดีสออกวจิบตูลิัลดิลฟาจิรจซิลมุมินขบะเจ้าปลาดใจเล็น สำหรับการยินหยับความแข็งเกร่งของคนชั่วความแข็งเกร่งของคนชั่วและความอ่อนแอของผู้ศรัทธาของคนดีใครว่าเจ้าปหลาดใจเลยต้องประหลาดใจแตหากว่า มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างอัลลอฮ์สร้างมาทั้งทีเนี่ยความสมบูรณ์เรื่องสติปัญญาอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ผีอัศนีตะกุยอัลลอฮ์บอกว่สร้างไวอย่างดีอัลลอฮ์สร้างมาด้วยอย่างดีนะแต่บุหรี่มวนเดียวเนี่เอาอยู่มนุษย์สมบูรณ์นี่นะยอมแพ้ต่อบุหรี่มวนเดียวเลิกไม่ได้ยาเสพติดเม็ดเดียวเหล้าขวดเดียวแก้วเดียว เป็นความอ่อนแอมะความอ่อนแอของโลกทั้งหมดเลยเนี่ยโลกทั้งหมดเลยเนี่ยเอาเรื่องอาบายมุกนี่เอาไม่อยู่นะอย่างบ้านเรานี่รายได้สำคัญที่สุดของมาเฟียนี่ก็คืออะไรสิ่งเสพติดทั้งหลายเลาที่ถูกกฎหมายนี่คือเล่ารายได้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยปัญญาชนอยู่ไหนอะ จะหาว่าคนทั้งประเทศนี่เมาเหล้ากันก็ไม่ใช่นะอาจจะเมากันช่วงกลางคืนก็นได้แต่ไม่ใช่ทั้งวันไงแต่นี่คือความอ่อนแอความอ่อนความอ่อนแอไม่ใช่ความอ่อนแอของเขาเพราะเขานี่ประสบความสาเร็จในการที่จะให้สิ่งมึนเมาเนี่ยเป็นสิ่งบริพวกที่ติดอันดับหม่ยถึงว่าคนเขาจ่ายตังค์กินเหล้า เสพสิ่งเสพติดเนี่ยมากกว่าที่เขาใหตังทานน้ำนมทานผักสิ่งที่มีประโยชน์เป็นความอ่อนแอของมนุษย์ของผงคนดีความอ่อนแอของคนทุกคนที่รู้ความถูกต้องและก็ยอมที่จะให้ความชั่วยอมที่จะอบายมุกเนี่ยเอาชนะตัวเอง ถึงสองายะแรกนี่นะที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงจุดยืนของมุชริกีนคนที่ตั้งภากีเนี่ยต่อกุรอานจุดยืนที่เขาต่อสู้กับท่านนบีสิปีนะว่ากุรอานนี้เป็นศิยศาสตร์สุดท้ายนี่บอกว่าอินนาฮะดะละสาหิรุมูบีนแท้จริงนี่คือนักมายาคนอย่างแน่นอนอิกราะอันหนึ่งอิคซัมวนหนึ่งอินนาฮะดะละซิหรุนี่คือซิหรนี่คือศิย์ศาสตร์ ใช่เลยทั้งนั้นี้ที่เล่าบอกว่าที่ขขเขาเขาใจลึกเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเป็นศสรสัตว์เขาไม่เชื่อแต่เขาต้องพูดแบบนั้นฮามสสาสก็ซ้มเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อแผ่นดินของขเขาแท้ๆเลยแต่โดนกล่าวหาว่าเป็นก่อการร้ายอเมริกาอียูและแต่ส่วนมากนะสัประชาชาติยังแต่ส่วนมากมหาอำนาจทั้งหมดเนี่ยหมายหัวแล้วว่าเป็น กุมกอการายรู้แก่ใจว่าเขาไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของแผ่นดินแท้ๆแล้วก็ยูนี้ก็คือโจนที่อเมริกาและยุโรปเนี่ยเอามายึดเอามาขโมยประเทศเขาเนี่ยเขารู้กันกระใจแต่ต้องพูดแบบนั้นต้องพูดว่าชาวเปอร์เซียเนี่ยเป็นกอการายต่อมาก็เลยต้องต้องเริ่มปรับปรับความรู้สึกของท่านนบี ที่ได้เห็นแรงต้านของผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยแรงต้านให้ท่านนะวีได้ได้ภูมิใจในการงานของท่านให้รู้สึก อ, อบอิ่มในพลังที่อัลลอฮสุบฮานวจตาลาได้มอบ ก, กับท่าน จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยซึ่งอญญายานี้ไม่ได้เป็นการปรอบใจท่านอเาบียงเดียวนะเป็นการรอบใจท่า น, นาบีแล้ว ก, ก็ทุกคนที่อาจจะทอแท้หรืออาจจะรู้สึกน้อยใจหรืออาจจะรู้สึกอ่อนแอเมื่อทำเหมือนที่ท่า น, นาบีทํทำก็คือพูดความจริงประกาศศีลธรรมเริ่มต้นจากโครงสร้างโลกนี้ทั้งหมด เรแล้วนี่ที่บรรดาอุลามะที่เขาเรียกกันอิชาาอุลกลามเนี่ยอุลามะที่เขาพูดเรื่องตัวพิทเรื่องอะไกดะแต่เฉพาะสายอชัยโรสายมอดตะซีล่านี่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่วายิบที่จําเป็นต้องเริ่มต้นเนี่ยก็คือพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมพิสูจน์ให้ตัวเอง ได้มีความเชื่อว่าโลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้ามีพระอวิบันเนี่ยที่เขาบอกว่าอาวลว่าจิบอันนอกรว่าจิบอันแรกนี่คือนอกรอต้องพิจารณาส่วนว่าเราเกิดมาในโลกเนี้ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยที่ไม่เคยไปกันเราก็ต้องสำรวจก่อนฉันอยู่ที่ไหน เหมือนคนคนใต้มามาหลงกรุงเทพอย่างเงี้ยกรุงเทพเป็นหลงใตง้ฉันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนและนี่อะไรนี่คืออะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีตึกไม่มีห้างเพราะของพวกนี้นี่ใครสร้างแล้วเรา ส, สร้างมนุษย์สร้าง ก่อนที่จะมีอะไรที่มนุษย์สร้างเนี่ยก่อนที่จะมีเสาไฟก่อนที่จะมีอะไรต่อมีอะไรที่มนุษย์ก่อขึ้นมาเนี่ยมองไปไหนแต่ไหนเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่มีความอลังการมีความยิ่งใหญ่ที่จะชวนคิดเหมือนเราเห็นตึกสูงป่าไปไปทาวเวอร์สูงสองร้อยชัน้นเป็นร้อยเมหนึ่งโอ้เก่งมาก อุษ ว, วกรที่เขาออกแบบนี่โหนี่แล้วก่อสร้างผู้รับเหมาหนูเก่งกันนะแน่นอนมันเป็นคําถาม ท, ที่ต้องที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่มันมันทําให้เราวิศวงกับมันน่ะอย่าว่าจะเป็นตึกนะแม่แม่ก็ยังเห่ น, เ, นเห็นอะไรเสื้อผ้าหรืออะไรที่มันสวยงามมีความประณีตเนี่ยใครทําะเก่งจังแต่นี้เรามองชั้นฟ้า บองภูเขาแม่นาม้าต้นไม้ป่าดูสิ่งที่เนลษย์สร้างนกม แ, งแมลงแมงซึ่งมันน่าทึ่งทั้งนั้นนะนะแต่มนุษย์ส่วนมากเนี่ยไม่เคยมีใครคิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยใครทำอ่ะกิ่งจังไม่ไม่พูดทั้งนั้นในสรรพสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันปรากฏกับสายตาของเราแล้ว หมายถึงว่านะเราไม่สามารถปฏิเสธว่ามันมีจริงภูเขาหน่มีจริงแม่ น, มน้ำาน่มีจริงปากฟ้าบรรดาดวงดาวที่มันโคจรมันมีจริงระบบสุริยะทั้งหมดเนี่ยเราพิสูจน์แล้วด้วยสายตานี่ด้วยการติดตามด้วยการคำนวณมันจริงมันสัจธรรมมันมันมีความแน่นอนมีความประณีตระบบนี้ มีใครตุวลิขิทธิ์เลยนอกจากอัลลอฮสุบฮานาฮฺวาลาในโลกนี้ในชีวิตเนี่ยเราไม่เคยพบที่หนึ่งที่ใดไม่มีอเมริกาบอกว่ากูสร้างเองหรือมีนักเสศาตร์คนหนึ่งหรือมีหมอดูคนหนึ่งหรือมีใครสักคนหนึ่งแม้กระทั่ง นะฟาโรน่ะสิลาวนะนะ่ะที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้านะก็ไม่ได้พูดไม่เคยพูดไม่บังอาจพูดว่ามันบอกกันนะว่าเนี่ยฉันน่ยคือพระเจ้าของแผ่นดินนี้ของแม่น้ํานี้ทั้งหมดเนี่ยฉันไม่เป็นพระเจ้าแต่ไม่กเ้าพูดว่าฉันเน่ยเป็นพระเจ้าที่สร้างสิ่งเหล่านี้นนไม่ครับแต่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยพูดอินนารบบคุมุลลอห์ สิ่งแรกที่อลัลลอ์จะปลอบใจท่านนาบีนี่วะกุรอานที่เจ้าได้รับมานี่นะไม่ได้มาจากใครนะมาจากเจ้าของโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเจ้าอย่าลืมเรื่องนี้สำคัญมากและนี่คือสิ่งที่ต้องอยู่ในศูนย์กลางหัวใจศูนย์กลางสมองศูนย์กลางของเมมโมรี่ของความทรงจาของพวกเราทั้งหมดอย่าลืมที่เรากำลังอ่านกุรอาที่เรากลังเรียนกุรอานเนี่ย ที่เรากำลังสักการะพระองค์กาลังอิบาดาต่อ Allah Subhanahu การเคลื่อนไหวของเรานี่กําลังทําอะไรอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของโลกจักรวาลสัพพะสิ่งทั้งหลายเนี่ยอันนี้ลืมไม่ได้อินนารับบักุมุลลอหอัลลัีิฮลลัคอัสัมมาวะติวะลอร์ตัตินปาตาของพวกท่านคืออ Allah ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน รับบุคุมอาจารย์ธิริศุลศิริสวัส์ที ا ا ا ا ่เขาแปลความหมายกุดอ่านในหนังสือกูดอ่านมาจีนท่านจะชอบแยกนะถ้าคําว่าอัลลอฮ์นี่จะแปลว่าพระเจ้าอีละเนี่ยพระเจ้าแต่ถ้ารับบุคุมรบบุเขาจะแปลว่าพระผู้อภิบาลโดยมีเหตุผลว่ารับบุรับบุคุมเนี่ยภาษาอาหรับนี่ รักสนิมาจากการเิบใหญรเติบใหญเรดูแลดูแลพักระพองให้ให้เติบโตให้อย่าให้อย่าให้มีอะไรบกพร่องเกิดขึ้นเราเติบใหญ่ฉะนั้นอาโรบุผู้ดูแลดูแลแตงแต่งแต่บงเกิดให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วดูแล ดูแลอย่างประนตแากมลกต่ยูนมขมันนะดูแลอย่างต่อเนื่องออลนมพระเจ้าทีอลในภาษาอาหรับนี่ในภาษารักษนีมาจากอัลลอฮยะลฮแปลว่ารักรักานีกรยนอลอฮยะลฮรักแสดงว่าอิลเลว่าที่รัก ทำามอ่ะเนื่องจากว่าพระเจ้านี่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราจึงต้องเป็นที่รักสุดที่รักของเราเหมือนเรากับพ่อแม่พ่อแม่เราเนี่ยคืผู้บังเกิดก่าวพ่อแม่เนี่เป็นผู้ที่ทําให้เราได้เกิดมาเขาจึงมีบุญคุณสูงสุดในบรรดามนุษย์เนี่ย ฉะนั้นการตันยูการกระตันยูต่อพ่อแม่นี่จะเทียบกับการกระตันยูกับคนอื่นนี่ไม่ได้พ่อแม่เนี่ยต้องมาก่อนถูกต้องไหพระเจ้าละ่ะต้องมาก่อนพ่อแม่เพราะเป็นผู้บังเกิดอย่างแท้จริงผู้ที่สร้างเราเกิดขึ้นมาเนในชีวิตเนี่ยอย่างแท้จริงจึงเป็นสุดที่รักเป็นใครนะเป็นสุดที่รักใครสุดที่รักใครนะ สุดที่รักนี่คือเลาหอไม่ใช่มีนะไม่ใช่สามีนะไม่ใช่คนน้นคนนี้นะไม่ใชุ่งดาราใครแต่สหรับผู้ศรัทธานี่คานี้เป็นคาสงวนสงวนไว้เลยสำหรับใครอะสาหรับอง์สุดที่รักแยกสิอาย์อิบราฮมกเรชรือาจารย์ธีรกิเนี่ยเาแยกเพาก็าถ้า รับบุคุมพระบุกอวิบานแต่เดออิเลนี่หรืออัลลอฮ์นพระเจ้าอันนี้ในด้านภาษานีแรกพวกก็พอมีเหตุผลนะพอมีเหตุผลแต่หนังสืออธิบายความหมายกุฎานก่อนแล้นก็เด่กับอาลลัษเนี่ยโดยเฉพาะนี่คุได้รีบิน่ามัดแล้วก็คุณพ่อผมนี่เขาจะไม่จะแปลไม่เหมือนอาจารย์นิบุรหิมคือรับบุคุ้มรับบุกับอิเลหรืออัลลอนี่นะพระเจ้าทั้งหมดนี่พระเจ้า สังเกตดูนะทั้งหมดนีพระเจ้าแปลว่าเป็นพระเจ้านี่นแท้จริงพระเจ้าของพวกท่านของพวกท่านคืออัลลอฮอินนารบบกุมุลลอ์คือถ้าจะแปลาตามรักษัพทที่อุลมามบางท่านคออธิบายสุดที่รักของพวกเจ้าคือพระผู้อภิบาล ร, บบระบุกันบบผู้อภิบาลไงผู้ ผู้ทรงสร้างพวกเจ้าผู้ที่ดูแลให้ริสกีปัจจะ ย, ยังชีพยแก่พวกเจ้าผู้ที่ดูแลพวกเจ้าอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่วัยเด็กจนวัยชราจนถึงวันปรโลกด้วยสุดที่รักของพวกเจ้าอัลลอฮ์สุดที่รักเนี่ยอุลลมามะบางท่านนี่จะแปลคําคว่าอัลลอฮ์นี่ถ้าตามรักซาบานะันอัลลอฮ์นี่คือสุดที่รัก และเป็นสุดิรักนี่เพราะมีเหตุผลที่อเราจะต้องเป็นสุดิรักเพราะพระองค์ทรงมีบุญคุณกับเราอย่างล้นพ้นบุญคุณที่เราไม่สามารถคํานวณได้ว่เอดด็นเต่าดูเนียมาต้องลอยและต้อสู้ฮะแต่พวกเจ้าจะาจะมานับจะมาคํานวณความปรดปรานที่พระองค์ช่วยเหลือพวกท่านเนี่ยนับไม่ถ้วนควรอย่างยิ่ง ที่จะรักอัลลอฮ์ให้มากที่สุดแต่มันมีเขาบอกว่ามันเป็นสมการระหว่างคําว่ารับบุกุมกับผลงานของของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเมื่อเอ่ยคําว่ารับเนี่ยจะต้องมีร um ะบุเสมอในกุตัานเนี่ยหรืเกือบทุกที่เนี่ยถ้าเมือ่อเมื่อเอ่ยคําว่ารับหรือรับบุกุมเนี่ยจะต้องมีผลงานของอัลลอฮ์ด้วยเหตุผลนี้ อุลามะบางท่นบอกว่าอัลลอฮเนียเป็นพระเจ้าที่เราต้องศรัทธาการศรัทธาในพระเจ้าที่มีผลงานผลงานเช่นอะไรเนี่ยเสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินทำนู่นทำนี่นี่ผลงานของพระเจ้าการเชื่อในพระเจ้าที่มีผลงานอันนี้เขาเรียกกันว่าเตวฮิดุรรบูบียะ การทีเชื่อว่ามีพระเจ้าเดียวที่สร้างโลกนี้ทั้งหมดที่สร้างตัวเราที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีอยู่พระองค์ท่านเดียวนี่นะท่านไหเขาเรียกกันเตาฮีตคือการเชื่อในความเอกะของผู้สร้างอรูบูบีะมีอุลามาบางท่านเนี่ยเขาเขาลำดับตะกะแบบนี้แล้วพอไม่เราเชื่อว่าพระเจ้าหัวโลกนี้นี่มีผู้สร้าง มันพอไหมที่จะให้มนุษย์เนี่ยที่สุดในเรื่องความศรัทธาไม่พอเพราะมีมนุษย์ที่เชื่อว่าพระเจ้าอัลลอน์นี่เป็นผู้สร้างแต่ก็ยังตั้งพากีกับพระองค์ เอานน่นมาบูชาเอานี่มาวางบนอิน่งอันนี้เป็นเทวเทวรูปของความรักอันนี้เทวดาของฝนอันนี้เทวดาของสงครามอันนี้เทวรูปของโน้นชาวมกะนี่ชาวกุเรชนี่ที่มกะนี่เขาเชื่อว่าอัลลอฮเป็นผู้สร้างแต่กาบ้านนี้มีเจ้าวดอยู่สามร้อยกว่าตัวท่อ จะไปทําธุรกิจจะเดินทางไปทําธุรกิจอ่านี่ถามตัวนี้มาเสียงทายกับตัวนี้ถ้าจะแต่งงานอ่านี่อะไรนี่ก็จะมีเฉพาะแล้วก็จะมีแต่ละเผานี่ก็จะมีอฮ้ยคนนั้นเผ่านู่นน่ะเขามีเขามีจเจวิตของเขาของฉันนี่ไม่ฮะผมต้องมีจเจวิตของฉัน อันนี้ก็หล่อเจวิตด้วยทองคามันนั่ก็หลอด้วยเงิน่นั่ก็หลอด้วยไม้ออันนี้ไม่ใช่เรื่องความเป็นพระเจ้านะพระเจ้าที่แท้จริงท่านในวีจึงถามอัลฮุสันอัลุนเป็นบิดาของอัมบัลุสทาบะชื่อเสียงดังเขาถามอัลฮุเัน์คำท้าบุดูยาฮุสนโอุนเจ้าสักการะพระเจ้ากี่องค์ ขนาดตัวกองนู้นเยอะนะแต่แล้วแกหน้ากาบ้านนี่ติดกับกาบแขวนกาบ้านนี่สามร้อยกว่าตัวแล้วถามเขาใช่ไหมเจ้านีบูชากี่องค์เขาใช้บอกว่าเจ็ดครับนายดีก็ถามว่าองค์ไหนล่ะเมื่อเจ้าป่วยทุกเดือดร้อนองค์ไหนที่จะบูชามากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าองค์นั้นจะช่วยจริงๆ อัลฮุซัยน์บอกว่าอัลลอฮ์ที่อยู่บนฟากฟ้านันไอ้หมายถึงว่าไอ้ที่บูชาบนพื้นแผ่นดินนี่ทั้งหลายนี่นะนี้ช่วยไม่ค่อยได้นะมลองมาแล้วเคยทดลองมาแล้วถ้าจะเอาของจริงกันนั่นนู่นที่อยู่ที่อยู่บนฟากฟ้านี่มาดูสิบานเราเอาหมดทุกอย่างเลยนี่ขนาด พระอาจารย์ทั้งหลายนี่ออกมาเตือนพุทธศาสนกว่าไม่มีใน่ศาสนาพุทธนี่ไม่มีใน่บูชานู่นบูชานี่เชื่อหมดเลยของจีนก็เอาของพราหมณ์ก็เอาของอินดูก็เอาเอามาบูชาหมดมารวมมารวมเนี่นเป็นแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีมันมีมานานแล้ว ศูนย์กลางของความเชื่อเนี่ยของคุสะทาเนี่ยที่หัวใจจะต้องหนักแน่นมีมีองเดียวมีพระเจ้าองเดียวเท่านั้นและพระเจ้านี้เนี่ยต้องต้องรวบรวมทุกความรู้สึกทุกความรู้สึกเรื่องพึ่งพาเรื่องการมอบหมายเรื่องเชื่อมั่นไปฝากไว้กับพระเจ้าองนี้เท่านั้น ถึงจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงจึงเริ่มเริ่มต้นก่อนว่าเชื่อเชื่อไหล่ะว่าฉันฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยมีผู้สร้างองค์เดียวเชื่อไหมล่ะถ้าเชื่อแล้วเนี่ยนี่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนี่ที่บวกออลแลมาโลกล า, ามนี่เขาบอกว่าเริ่มต้นแรกเนี่ยต้องพิจารณาก่อนโลกนี้นี่เหมือนเราเข้าบ้านนะนะไม่ใช่บ้านของเรา เรื่องแรกที่เราต้องคิดในก่อนเรื่องอื่นเลยบ้านใครใช่ไหมเรื่องแรกเลยทำไมเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้มีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรตอวมีอะไรแล้วอยากจะกินนะ่ะเรื่องแรกเราต้องใครใจเจ้าของบ้านนี่คือใครนี่เกิดมานี่ น, นี่โลกนี้นี่เจ้าของนี่คือใครมาถูกท้อมาถูกทางแล้วนะ ถ้าหากว่าคิดแบบนี้เนี่ยแล้วก็รู้แล้วก็ไม่มีใครมาตรวลิขสิทธิ์แล้วก็มาบอกมาแจ้งว่าฉันเองเป็นเจ้าของเนี่ยฉันฟ้าและแผ่นดินเนี่ยฉันเองแต่มีนี่ในกุรานแล้วมันมาเป็นเป็นตะ ก, กะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ที่ชวนให้เชื่อมั่นจริงๆรงิว่าริงเป็นเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของจริงเพราะ AH อัลลอฮ์ทรงกุรอานี้มาจากมากับบรรดาเ น, นาบีอัลรัสูล ทุกท่านตลอดประวัติศาสตร์ยืนยันในเรื่องนี้โลกนี้นี่มีเจ้าของนะไม่ใีของเถื่อนนะโลกนี้มีเจ้าของนะใครอิอนนารบบกุมุลลอห์พระเจ้าของพวกท่านคืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าโดยแอบอ้างไม่ได้ต้องมีผลงานนี่ไงผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ตั้งแต่มนุษย์มี อ, รอารยธรรมมีความรู้นึันพ่สุจน์ได้นะมีใครบ้างอ่ะที่เคยมาจดลิกาสีดวงนี้ฉันเจ้าของฟ้าและแผ่นดินถ้าไม่มีใครนี่ตามกฎหมายสากลน่ะนะถ้าไม่มีใครอ้างความเป็นเจ้าของก็คนที่อ้างเท่านั้นน่ะที่จะเป็นเจ้าของทีนี้ไม่มีกันนี ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะเชื่ออะไรเชื่อใครนอกจากมีข้ออ้างเดียวนะครับในโลกนี้ที่สุดได้ตลอดศาสตร์วร่นนี้ศา ส, สนานี่แนหะ ท, ที่ที่มีการตรจลิขสิทธิ์ชัดเจนว่าโลกนี้ทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหลายรวมถึงชีวิตของเราด้วยนะมีเจ้าของโดยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าทุกสิ่งต้องมีผู้สร้างไงมันจะเกิดมาเองเนีย่ยไม่ได้จากวิทยาศาสตร์ตอนนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยยอมรับว่า คือโลกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่นั่นแปลว่าเขาเขาเขาไม่ยังไม่ยังไม่พิสูจน์ยังไม่สามารถพิสูจน์ด้วยด้วยวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยแต่ด้วยตรร ก, กะด้วยคณิตศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่โลกนี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้แต่มันมีผลสมการนี่มันต้องนํามาสู่ผลที่ชัดเจนว่าถ้าบังเอิญไม่ได้เนี่ยก็จะต้องเกิดด้วย ด้วยการสร้างแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดแบบนี้โดยตรงแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีเคลื่อนไหวนักวิทยาศาสตร์เคลื่อนไหวที่จะเริ่มพิสูจน์การมีพระเจ้าโดวยวิทยาศาสตร์เยอะมากขึ้นอัลลอฮ์บอกว่าสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินฟีซิติต่อที่อา ย, ยามในเวลาหกวันสิ ต, ตนีหกตีความไม่ได้อายามนี่นะ อายามกระหุพุทเอกพุทของมันนี่ก็คือเย้ามเย้ามหนึ่งวันอายามหลายวันหกวันอายามเนี่ยมีอุลมะเข้าตีความเขาก็บอกว่าตีความได้ทําไมายวาก็วันเนี่ยไม่ดีไม่ไม่ดีหมายรัวเราเองในบางทีเนี่ยวันหนึ่งอะเล่นเกมเป็นวันวันหนึ่งี้ไงเป็นวันวันเข้าใจไหมเป็นวันวัน ทุวีวันน่ยม่แต่กินอย่างเดียวกินโอ้กินทั้งวันเลยอ่ะไม่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันวันทั้งวันแสดงว่าคําว่าวันเนี่ยพอตีความได้ก็เลยมีอุลามาที่ก็บอกว่าอย่างอาจารย์ดีเล็กเนี่ยเขาเขาเขาแปลไม่ยี่หกวันนะเขาบอกว่าหกระยะหกระยะอันที่จริงแล้ว คือเหตุผลของอาจารย์แล้วก็อุลลมาหลายท่านที่เข้าแปลเขาบอกว่าจะแปลเป็นหกวันเหมือนวันนี้ได้ไงอย่ากัวันนี่มันก็มาจากเรื่องโคจรของดวงอาทิตย์กับโลกแล้วอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและและแผ่นดินเนี่ยก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีโลกแล้วก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วเอาอะไรมาวัดล่ะจึงต้องอธิบายคําว่าวันเนี่ยให้มันเข้ากับความเป็นไปได้ไง่ ใช่ไหมอันนี้ผลของเขาแต่ที่จริงแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไปตีความลึกซึ้งขนาดนั้นทำไมเพราะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ารู้ว่าเมื่อสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกและดวงอาทิตย์และตั้งระบบโคจรของมันที่จะทำให้เกิดการหมุน การหมุนของโลกการหมุนของโลกนี่ที่ทําไม่เกิดต่างวันกับกลางคื น, นอลัลลอฮ์รู้นะอัลลลลอฮ์รู้ว่าระยะเวลาของวันและคืนเนี่ยเนี่ยคือมาตรฐานเวลาที่เราจะที่เราจะคิดได้อลัลลอฮ์จึงเอามาตรฐานนี้เนี่ยมาให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าเวลาสั้นๆใน24ชั่วโมงนี่นะดูนะพวกตัวเองเนี่ย กว่าจะสร้างบ้านกว่าจะกว่าจะสร้างเรือกว่าจะอะไรนี่ใช้เวลาเท่าไหร่แต่พระเจ้านี่โลกนี้จักรวาลนี้ชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยพระองค์ใช้หกวันโกลละมาส่วนมากจึงบอกว่าหกวันเหมือนหกวันของเรานี่แหละหมายถึงว่าอัลลอฮฺเจตนาระด่างใจจึงไม่ต้องไม่ต้อความว่าระยะไงหมายถึงว่าอัลลอฮฺตั้งใจที่จะหมายรวมวันนี่ก็คือวันของเรานี่แหละ เพื่อให้เราได้ทึ่งกับระยะเวลาสั้นที่พระองค์สามารถสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินลไหลอุลามาบางเันก็บอกว่าโอ้มิใช่ก็ในคุรานอธิบายไว้แล้วไงว่าวันสำหรับพวกเจ้านี่สำหรับอัลลอฮ์นี่นะเท่ากับหนึ่งหนึ่งพันอะไรกัลฟิซนตินมิมมาตะุนดูหนึ่งวันของอัลลอ์นี่นะ เท่ากับหนึ่งพันปีสำหรับพวกท่านก็อีกทัศนะหนึ่งก็หมายรวมว่าที่อัลลอ์สร้างชันฟ้านแผ่นดินเนี่ยในระยะเวลาหกวันอันนี้สำหรับอัลลอ์ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับอัลลอฮ์บ ب า ا ละุต่าจะไม่มีมาตรของเวลาที่เราใช้กันนะั้นนะไปเทียบกับ Allah ธธอัลลอส์ س ب ح ا ะุต่าเพราะเพราะอัลลอ์เป็นผู้สร้างเวลาฉะนั้น เวลาเนี่ยมันเป็นมรคลุกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจึงไม่สามารถเอาสิ่งที่ถูกสร้างมาวัดสิ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างอัลลอฮ์ไม่ได้เอาแล้วทำไมอัลลอฮ์ใช่มาตรฐานเวลานี้มามาคุยกับเราให้เราเข้าใจเท่านั้นแต่เรื่องมันใหญ่กว่านั้นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นแค่อธิบายรูปแบบการสร้างของพระเจ้าอย่างหนึ่ง ที s s ai, ่อ uh e ah ัลลอฮฺมาได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮฺสร้างได้ด้วยคําเดียวอินนามะกอุลูอินอารัดะชัยอันท่าพระองค์ประสงค์อะไรเนี่ยไอยะกูละละหูกุลฟายาคูลพระองค์จะบอกว่าจงเป็นแล้วมันจะเป็นกุนคุลมันสองอักษรนะกุนกาฟขานูนนะกุลอุลลอฮฺมาตีความลึกกว่านี้น่ะเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่กุลนะหมายถึงอะเพราะกุลนี่หมายถึงว่า กากะนูนกุนใช่ไหแล้วมันจะเกิดใช่ไหแสดงว่ามันจะเกิดตอนจบตัวนูนหรือก่อนที่จะจบตัวนูนฮะโวลมาจึงจึงอธิบายบอกว่าอัมรุหูบบยนัก้าฟิว น, นูน กิจาการของพระองค์นี่คือระหว่างก้าฟกระนูนไม่ใช่ว่าทั้งสองไม่สองอักษร น, นะไม่ระหว่างสองสอัก เ, เพราะเพียงจะเพียงจะนึกจินตนาการว่าเราเราจะพูดกุ้นไฟกูนเนี่ยเหมือนที่เราอะต้องเป็นน่ยเหมือนที่เราดูตามหนังตามอะเนี่ยคุณตรงเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่เฉ่งงั้นอันนี้เราจินตนาการตามมาตรฐานตามกฎ ที่เราได้มองเห็นกันเองแต่สำหรับบลโลกนี่ไม่ใช่จึงเกิดคำถามว่าอนนาจจะจะเอามสร้างเชนต้าและแผ่นดินด้วยคำเดียวแต่ทำไมอโมลบอกว่าใช้หกวันละ่ะมีหลายคำตอบคำตอบแรกคาตอบแรกและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่สามารถสร้างความสบายใจดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาคำตอบแรกก็เรื่องอโล เราสร้างบ้านให้ผู้รับเหมานี่สร้างบ้านผู้รับเหมาบอกว่าผมขอหกเดือนเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เอาให้สร้างให้สองปีเลยสงปีเลยอะทำไมอะครับเรื่องของกูไงเจ้าของตังค์เจ้าของบ้านทําไมเป็นเรื่องฉันอะเฮเราสรุปกันแล้วอะ่ะ พระเจ้านี่นะอัลลอฮ์นี่คือเจ้าของใช่ไหมฉะนั้นการที่อัลลอฮ์จะสร้างยังไงสิกิวันแบบไหนอะไรก็หลังจากสร้างแล้วอเราสร้างแล้วใช่ไหมสร้างแล้วให้ดวงอาทิตย์มันโคจรอย่างนี้ดวงจันทร์โคจรอย่างนี้แล้วก็โลกเดียจะมีรายละเอียดในในในในอายัดถัดไปอัลลอฮ์สร้างโคจรยังไงมันต้องหมุนยังไงตัวอยู่ยังไงสร้างแล้วนะไม่มีใครตั้งคําถามเลยทำไม่ แล้วทําไมต้องดวงจันทร์ต้องขึ้นอย่างเนี้ยทําไมดวงอาทิตย์ต้องมาแบบนี้ทำไมไม่มีใครหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะเอาแล้วก็ก่อนสร้างล่ะแล้วตอนนี้พระองค์สร้างนี่ทำไมเราต้องไปยุ่งล่ะทําไมอย่ต้องหกวันนะ่ะทําไมต้องอกว่า น, นี่คือคําตอบอันนึงนะที่ที่มันสมเหตุสมผลในเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าย่อมมีอํานาจบริบูรณ์ในการกําหนด เวลาการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและความเชื่อแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยมีอีมานมีความเชื่อมีความศรัทธาที่หนักแน่นในทุกสิ่งที่อัลลอสุบฮานาลฺทำหรือป ร, ระสงค์จะทำเชื่อเราเราไม่ต้องบังอาจไปคิดแทนอัลลอฮ์หรือไปนั่งตั้งไปตั้งคำตะออูมันมันจะปวดหัวแต่สำหรับคนที่ชอบปวดหัวเพราะมันมีเยอะเงนิน มีแม่คนที่ชอบบวดหัวเพียบเลยแม่งั้นก็จะขายภาราขายดีอ่ะเขาไพวกบวดหัวนี่แหละทำไมต้องหกวันนะาทำไมไม่เจ็ดวันทำไมไม่แปดวันทำไมไม่ห้าวันหกวันนี่ก็คือตัวเลขเพื่อให้พวกเจ้าเนี่ยมนุษย์เนี่ย ให้พวกเจ้าเนี่ยรู้แม้กระทั่งพระเจ้าที่สามารถสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยคำเดียวนะแต่พระองค์นี่ใช้หกวันสร้างสอนพวกเจ้านี่นะให้ยึดในกติกามาตรฐานปัใจจัยในการทำงานทำอะไรนี่ให้พระนีได้จเย็นๆให้มีเวลาทำอะไรนี่จะได้สาเร็จเนี่ย อย่ารีบอันนี้เป็นข้อก็เป็นการสั่งสอนพระเจ้าทั้งนั้นอีพระเจ้าทำได้นะแต่พระเจ้าอยากจะสอนเราว่านี่โลกทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมสวยงามมะเนี่ยพระเจ้านี่ใช้หกวันนะดังนั้นพวกท่านเนี่ยก็ต้องจะยินยินในการทำงานในการมีผลงานใช้เวลาในการออกแบบในการในการวางแผนในการจัดการทุกอย่างนี่จะได้ มีผลที่สวยงามก็อันนี้ก็เป็นการอธิบายสําหรับสําหรับคนที่อยากจะได้เหตุผลที่จับต้องได้พอจับต้องได้นะครับก็มีในใ น, ในบรรดาตำราอธิบายกุตตานที่เขาพูดเหตุผลนี้เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันในบางสุราในคุตตาน่ะโซร์ตเออฟิฟถ้าจำไม่ผิดเขาได้บอกนะ <c oughs> ว่าสองวันนี้อเราทําอะไรสอง เลาได้สร้างอะไรอีกสองวันนี้เลาได้แจกแจงเรื่องริสกีเรื่องปัจจัยยังชีพมีมีรายละเอียดด้วยอันนี้มีในคุรานแต่มีอูฮะดีสบทหนึง่งที่บอกว่าดิน Allah สร้างวันเสาร์ต้นไม้ Allah สร้างวันนู้น a l สร้างวันนู้อยู่ในฮะดีสที่บันทึกโดยอิมามมุสลิมอันนีมุสลิมฮะดีสนี้ในเฉพาะท่อนนี้นะ ที่พูดว่าอัลลอฮ์สร้างดินในวันเสาร์สร้างนู่นในวันนี้แล้วก็ลําดับในหกวันเนี่ยเราสร้างทุกทาธาตุเนี่ยสร้างในวันไหนเนี่ยนะเฉพาะท่อนนี้เนี่ยดอยถึงแม้ว่ามันเรียกได้ว่ามุสลิมเพระาะฮะดีษเนมันไม่ได้มีแค่นี้ฮะดีษ ม, มีมีที่ว่าอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และก็สร้าง ฉันฟ้าและนดินในหกวันอันนี้ฮะอัสอยสอดคล้องกับกุอา่านอยู่แล้วแต่ที่แจกแจงรายละเอียดว่าแต่ละวันนี่สร้างมาอะไรมานี้นะอันนี้เนี่ยเป็นหัดีส์ดยแล้ววันนี้เท็ดละ้ ม, มสาสโตะะะะะะะัะะงงะะ น, น, น, น, นะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะงะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ a ล l a h ส่งสถิตสรงมั่นอยู่บนบัลลังก์วันดิเจ็ในกุรตาเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ฮัดีสบางบทนี่มีในวันดิเจ็ดซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีนักอธิบายกุรตาด้านทฤษดีเขาบอกว่าเรื่องเจ็ดนี่จึงมีจึงมีเคล็ดลับในโลก ทำไมชั้นฟ้าละจิตแผ่นดินก็มีจิตบรรดาวันเนี่ยจิตทุกอะไรทํานะไม่มีอะไรทําที่ไหนนี่เขามีหกวันมีห้าวันทุกอะไรทำทั่ทวโลกน เ, นนนนนะะเนี่ยเขามีเจ็ดวันซึ่งเจ็ดวันเนี่ยมันมันเฉพาะจิตเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรด้า น, ด า, นดาราศาสตร์หรือด้านการคำนวณอะไรเลยนะสําหรับสัปดาห์เนี่ยเจดวันนี้ไม่มีแต่มันมีประเด็น ว่าในไบเบิลและตัราก็คือคำภีก่าวนี่คือของเยโฮดีเนี่ยของเยโคดีเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างฟ้าและกันดินเนียววันอันนี้ในไบเบิลในตรงและราองสถิตบนบัลลังก์วันที่เจ็ดเพื่อพักผ่อนเสมือนว่าอาหกวันเนี่ยเราสร้างและเหนื่อย แล้วก็วันที่อ่าบางบางองค์การในในคําพีรของเขานี่ก็มีนะแล้วพระองค์เนี่ยเหนื่อยล้าจึงสําเร็จแล้วเนี่ยสถิตบนบอลลังแล้วก็กพักผ่อนทุมมาสตาร์รอฮชาวยูเนยก็มาถามท่านนบีถามท่าน น, า บ, าา น, นาบีว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นไว้ในแผ่นดินกี่วันอันลลอฮ์ก็เลย ประทานกุรอรานลงมาหลายอายะในกุรนะ์านน่ะประมาณสี่สี่ตำแหน่งในกุรอรานเนี่ยที่พูติ้งหกวันเนี่ยในมีการคำตอบ ว, ว่าเราสร้างขช้นฟ้านั่นเป็นดินในหวันยูมก็ถูกต้องแล้วที่ท่านบูตเนี่ยแต่ท่านต้องเพิ่มว่าซุมมัสตาราห์และท่านได้พักผ่อนวันที่เจ็ดเราก็เลายประธานกุรอรานลงมาในสุรตัตกอฟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ٍ د ُ ن و, و, و, ن د و ن أن نردس أنفعل باندين และสิ่งที่ระวังฉันฟาฉันฟา س ละแผ่นดินَนสิบตَอายามินในหกวันว่ามา س ن ا م ّ ل ل و โดยที่เราไม่ได้เหนื่อยลาแมแต่น้อยอัลลอฮตลนะแต่ในสุรจีวุนซีอัลลอฮ์อีกอย่างนึง แล้วพรงคะติดบุญบัลลังยุดับเบรุ่อัมร์หลังจากสร้างแล้วนี่นะอัลลอฮฺเจมุลลังและบริหารจัดการยุดบเรุ่อัมร์ทรงบริหารกิจการการแจกแจงว่าหลังจากสร้างแล้วเนี่ยบริหารกิจการเนี่ยก็แสดงว่า่น ขาเยี่นี่เขบอกซุ่มมัศร่าแล้วก็พักพรอคไม่ไม่ไหวจะทำอะไรแล้วไม่ไหวจะทําอะไรแล้วไม่ใช่นี่ล l l a h สร้างแล้วอยู่ดับบิรุนเอาละผมสร้างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีต้องมีการดูแลต่อและจะเหนื่อยเน่ยถ้าจะเหนื่อยนี่ทําไม่ได้แล้วคืออันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจินตนาการพระเจ้าที่เหนื่อยล้านั่นคือพระเจ้าที่ไม่ควรเป็นพระเจ้าเราจึงไม่บูชาสักการะพระเจ้าที่เหนื่อยล้า เราเชื่อว่าพระเจ้าของเรานี่ไม่เหนื่อยล้าไม่หลับไม่นอนไม่อ่อนแออันนี้อันนี้คืออันนี้ต้องอันนี้ต้องเป็นมโนภาพของของพระเจ้าที่เราต้องเชื่อต้องศรัทธาไม่งั้นมันจะเป็นพระเจ้าของเราได้ไงไม่งั้นกไม่ต่างกันเลกัวพระเจ้าเหนื่อยล้าอิสลามนี่จะต้องให้เราเชื่อในพระเจ้าไม่เหมือนความเชื่อในมโนภาพของศาสนากาะนั่นนี้ พระเจ้าโอพระเจ้าไปสู้กับอิบลีสเนี่ยจนกระทั่งอิบลีสเนี่ยเล่นมวยปั้มกับพระเจ้ากับอัลลอฮ์นี่แล้วก็เอาเอาเอาชนะอัลลอฮ์นี่ในคัมภีร์เก่าไอความเชื่อแบบนี้เนี่ยที่มันถูกต่อเติมมานี่เนี่ยอิสลามเนี่ยมัดล้างมดลบล้างหมดขยะทิ้งหมดมนุษย์เชื่อไม่ได้ในในพระเจ้าของตัวเองไปเดไม่ไมพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นซุ่มมาสตะอัละอาร์ ย้อนมาหนึ่งคิดกหน่อยนะก็ดกหน่อยอัลออับระกุกันอัชอัลลอัลลนี่บาลังพระบาลังบาลังนี่คือมรคลุกสิ่งที่ถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดามรคลุกในบรรดาสิ่งเดียวเราสร้าง ใหญ่ที่สุดที่สุดของมะลุกเหละอันนี้ไม่มีใคลรบเอกสารไม่มีความขัดแย้งสิ่งที่พระเจา้าสร้างใหญ่ที่สุดนี่คืออารือบร็ลังของพระองค์อ่ะอะไรที่ถูกสร้างสิ่งแรกที่ถูกสร้างในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายนี่พราะก่อนนี้จะมีสรรพสิ่งที่ถูกสร้างนี่ ในบันทักของอิมัมบุ خار ิตานบีซัลลัลลอฮุอาลัยฮุสัลลัมอ่านแล้วพระองค์ไม่มีอะไรอยู่กับพระองค์กับหมายที่ว่าอย่งไม่มีสรรพสิ่งอันนี้อันนี้เป็นเหตุผลเป็นตะกะที่ที่กินกับบัญญาแน่นอนในเมื่อเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยก็จะต้องไม่มีสิ่งที่ถูกสร้างอยู่กับพระองค์มาตั้งแต่ดึกดําบัน การอัลลมีอัลลอฮ์ทรงเอกามีอยู่และไม่มีอะไรกับพระองค์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างล่ะคืออะไรบางทัศนะบอกว่าอัลลอสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างคืออัลอฮ์แต่บางศาสนะบอกว่าไม่ใช่สิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างนี่คือปากกาซึ่งอันนี้มีตัวบทหลักฐา ว่าส er ิ่งที่เอามาสร้างนี่คือประกาประกาที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการสร้างทั้งหลายเนี่ยปาะกาเอามาได้สร้างมาจะได้บันทึกบันทึกจะรึกทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประสงค์และจะทําแต่ระหวัางปาะกากับอรช์นีรช์นี่ยิ่งใหญ่กว่าอรช์บาลังนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจะได้เข้าใจนะเคยอธิบายเรื่องนี้หลายครั้งแล้วจะได้เข้าใจนะ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมานี่นะกลมจักรวาลชั้นฟ้าโลกทั้งหมดเลยเนี่ยลมที่เราอยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยนี่ใ น, น, น, น, นจักรวาลทั้งหลายเนี่ยสุริยะจักรวาลแล้วก็หมืน่นหมื่นล้านแสนแสนล้านจักรวาลที่มีอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฟ้านะ ไม่ฟ้าอันนี้คือใต้ฟ้าใต้ฟ้าและจักรวาลบรรดาจักรวาลทั้งหมดที่มีเป็นแสนแสนจักรวาลเนี่ยมันก็กลมเหนือจักรวาลทั้งหลายที่เราได้เห็นกันนี่นะีน่ยเหนือจักรวาล น, น, นั่นแนหะคือฟ้าฟ้านี่มันเป็นอาคารนะอาคารทําไมเพราะเราบอกในกุรอาน อีกสมมาอุฉชกอดเมื่อฟ้าก้ากแต่ราวคือถ้าที่เราเห็นเนี่ยถ้า อ, าอากาศนี่มันคือฟ้ามันจะรา้าวยังไงอะฟ้านี่มันอาคารแล้วมันมีประตูด้วยมีหลายบทนี่บอกว่าฟ้านี่เปิดประตูแล้วกันนะบีขึ้นนั่นเป็นอาคารฉะนั้นที่เราเห็นกันเนี่ยีนจะกรวานตั้งหลายนี่อวกาศทั้งหลายนี่อันนี้ใต้ฟ้านะใต้ฟ้าฉันน่ แล้มัมีบอกในหนังสือบทหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้ฟ้านี่ทั้งหมดเนี่ยจักรวาลทั้งหมดนี่ที่เป็นแสนแสนล้านจักรวาล น, นี่นะทั้งหมดเนี่ยกับฟากฟ้าชัาา้นแรกนี่นะเท่ากับแหวนแหวนวงนึ่งอะพิงไว้ในทะเลสายเทียบสแสดงว่าชั้นฟ้าที่หนึ่งเนี่ยมันจะขนาดไหนซึ่งอวากาศและจักรวาล น, นี่มันกลมทั้งหมดใช่ไหม ฟ้าชั้นหนึ่งเนี่ยก็กลุ่มมันล้อมจากกว่านางหลายแล้วระหว่างชั้นฟ้าที่หนึ่งกับชั้นฟ้าที่สองเนี่ยก็จะมีโลกอีกโลกหนึ่งเราไม่รู้เนี่มีอะไรนะมีมาลายก็มีสัรบสิ่งเดียลเราทราบเราไม่รู้นี่มีอะไรนะเพราะหลายอายาจะโลโกมาไบนัหูมาระหว่างชั้นฟ้าแล้วก็ระหวาา่างแผ่นดินเราไม่รู้เหมือนแผ่นดินของเรานี่โลกของเราเนี่ยเราบอกว่า ว่ามาไปนมาระหว่างโลกทั้งหลายในเมียเนี่ยเราทุกคนนี้เราก็ยังไม่รู้ชั้นฟ้าที่สองนบีบอกว่าในชั้นฟ้าที่สองในชั้นฟ้าที่หนึ่งแล้วก็โลกทั้งหมดเลยเนี่ยเทียบกับชั้นฟ้าที่สองเนี่ยเท่ากับแหวนวงหนึ่งในเดลีไซ ส, สกับสี่ก็เช่นเดียวกันสกับห้ห้ากับห6 ก, ก, กับชั้นฟ้าที่7ก็เช่นเดียวกันแหวนวงหนึ่ง แสดงว่าชั้นฟ้าที่7จนี่จะใหญ่ขนาดไหนอ่ะถ้าเทียบแล้วกับโลกจักรวาลนี้แสนล้านจักรวาลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนอยู่แล้วนะแล้วก็ชั้นฟ้าที่เจ็นี่มันจะใหญ่ขนาดไหนบนชั้นฟ้าที่เจ็ดเนี่ยอะดสนี้สหายนะท่านนายบีได้บอกว่าบนชั้นฟ้าที่เจ็เนี่ยมีอะไรอ่ะมีน้ํามีน้ําก่น แล้วบนน้ำเนี่ยน้ำนี่กรลอมนะแลอย่ลืมทั้งหมดนี่คมนะทั้งหมดและบนน้านี่มีกุฏิอัลกที่เราบอกเนี่ย ในแอยากุร سين si uh wa uh ah e ีว้างกว่กุรซีของสมาวัติและอรือกุรซีของพระองค์นี่มันล้อมมันไพศาลกว้างขวางเท่ากับชั้นฟ้าทั้งหลายทั้งหลายกุรซีของสมาวัตทั้งหลายที่มันล้อมโลกจากกวานี้ทั้งหลายนี่นะกุรซีนี่ก็ล้อมหมดเลยกุรซีนี่ก็ยังไม่ได้ใหญ่ที่สุดในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างใช่ไหมแล้วมีอะไรใหญ่ที่สุดล่ะอัลฮาร์ ฮาร์อยบนกุาอีและใครอยู่อยู่บนนารชนะและพระองค์ทรงมั่นบนบัลลังซึ่งเหนืออารชนีนะเหนืออารชนีนะไม่มีแล้วนะมักลูกไม่มีแล้วต้องเข้าใจมีใครอ่ะมีลลอฮที่อยู่ใต้ต ใช่บอลลังนี่ทั้งหมดนี่เนีนย่นยเมักลูกลาอัลลนี่ก็มักลูกทั้งหลายเนือราลลีไม่มีมักลูกแล้วนี่มีอัลละฮฺอย่างเดียวฉะนั้นมิติของเวลามิติของสถานที่มิติของทิศมิติของอะไรตัวไม่อะไรนี่นะไม่ต้องไปคิดจินไอคนที่จินตนาการนี่ก็คือเขากําลังนั่งคิดอยู่ในห้องของตัวเองอยู่ในปนอนเนาะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องมหาเลย ตัวเองคิดอยู่แค่นี้เนี่ยไม่ได้คุณคุณต้องขึ้นไปดูก่อนข้างบนนะแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะฉะนั้นคุณอย่าเอามาตรฐานที่เราใช้กับตัวเรานี่นะไปคิดกับอัลลอฮ์เฮ้ยจะไปบอกว่าอัลลอฮ์นี่อยู่บนฟ้าได้ไงนี่มันมีทิแต่อยู่ว่าอัลลอ์อยู่บนบัลลังก์นี่บนกับใต้นี่มันก็คือทิศ อันนั้นเราเราคุยเราคิดกันเองแต่เราไม่สามารถเอาเรื่องนี้มาจินตนาการเกี่ยวกับพระเจ้าได้เอาแล้วที่อัลลอฮ์บอกเนี่อัลลอฮ์บอกแต่เราก็ต้องมอบหมายเรื่องเรื่องมิติเนี่ยมอบอลัลลอฮ์แต่ที่เราไม่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ครับว่าอาร์ชูไหนบัลลังก์นี่อยู่ไห น, น, น, อ, ไหนอันนี้เนี่ยถามคนที่เขาไม่ยอม ไม่ยอมพูดว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่บนฟ้านี่อัลลอฮ์อยู่เบื้องบนน่ะถ้ามาเราเวลายกย่องกษัตริย์ก็บื้องบนเพราะเรื่องนี้คือมันเป็นวัฒนธรรมคนที่ครอบครองอํานาจเนี่ยคนที่ครอบครองอํานาจในใ น, ในในทุกประเทศเนี่ยทั่วโลกกันนะไม่มีหรอกที่จะไปสร้างวังของตัวเองเนี่ยในทอดน้ําเสีย มีแต่ก็ดัฟีตอนถูกสังหารมีแต่ฮิตเลอร์ตอนแพ้สงครามไปอยู่ใต้ดินเท่านั้นน่ะแต่คนที่มีอำนาจด้านนั้นทุกอยู่ข้างบนเนี่เราบอทุกที่เลยเนี่ยใครที่นี้ย่นี่้ก่อนโคนลาฟานี่อลาฟนสมัยออตมันน่ะเวลาเขาพูดอ้ามันมีมันมีในในเรื่ว่าแนันมีหมดเลยน่ยกษัตริย์ทุกที่เลยอลาฟนี่เขาจะเรียกอัลบาบุลอาลปตูบน มนมีมันมีประตูบนประตูล่าง่ะใช่ไหมข้าบนอยู่ข้างบนอันนี้เนี่ยบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนี่ก็เอามาจาก All a a อ All a a ัลลอฮ์นี่แหละเพราะอัลลอฮ์อยู่สูงสุดกษัตริย์ทุกองค์หนี่ที่อยากจะมีอำนาจนะเขก็ต้องสูงกว่ามนุษย์นะเขาอยากจะเรียนแบบพระเจ้าเนี่ยเขาเอามาจากอัลลอฮ์นะไม่ใช่ All a a อัลลอฮ์มาจากเขานะอัลลอฮ์คือต้นฉบับเนี่ยมุ่งบนเพราะอะไรเพราะดุฮิด ะที่อาม่าพูดถึงพระองค์สถิตหรือมั่นบนบัลลังแสดงคำว่าอัลลอฮ์บนบัลลังนี่นะไม่ต้องมามาเครียดมากกว่าอัลลอ์มั่นบนบัลลังติดไหมติ ด, ตดเวลานั่งนี่ติดเหมือนเราเนี่ยนั่งนั่งบนเก้าอี้นี่ติดไหมพวกนี้บอกไม่ต้องไปคิด แล้วถ้าอะไรที่เป็นความหมายที่จะทำให้เราเนี่ยคิดว่าเหมือนเอาเนาะนี่อันนี้เราก็ไม่ใช่ไม่ได้หมายรวมอย่างนั้นอย่างเช่นคาว่าอิสตวาวาอิสตาวานี่ถ้าจะแปลนี่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าทรงประทับทรงประทับซึ่งไม่ค่อยละเอียดบางที่เนี่ยก็แปลว่าสติสถิ ไม่ละเอียดไม่อยากจะบอกว่าไม่ผิดนะแล้วก็ไม่ถูกเสมอทำไมคือถ้าเราพูดเนี่ยประทับโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้หรือข้อแยง้งประทับนั่งเนี่ก็ต้องมีติดสนิทมีอะไรอยู่ข้างบนมีอะไรอยู่ข้างล่างใช่ไหม อะไรที่มันเป็นเนื้อหาของกิริยาของคําศัพท์ที่สามารถเปรียบเทียบในระตัดได้เลยทําไมอะเอาเฉพาะในคุฎอาดที่มีชัดเจนเนี่ยบนไหนมีไหมนี่มีดังนั้นเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้อิสตาวานี่มีไหมว่านั่งมีฮะดีสตอดอยฟ์ะดีสไม่มีนะตอดอยฟเพราะพระองค์นั่งตอดอยฟ์เอ้า แล้วทไมต้องไปใช้ของดัวเแล้วก็เอาเฉพาะในคุานี้ที่มีชัดเจนอยู่แล้วหาดมีนี่ก็เอาไม่มีล่ะก็เอาเฉพาะอิสตวาวละอิสตวานี่ลฟนี่บรรดาบรรชนยุคแรกตั้งแต่ยุคฮะบนี่อธิบายสองความหมายความหมายแรกก็คือทรงอยู่เบื้องบนอิสตวอะลาวรตฟะนี่บุรียที่บน่งยอิสตว่าวอะลาวรตฟะ ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ทรงอยู่ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ความหมายที่สองนี่พระองค์นี่ทรงทรงอยู่บนบัลลังก์นี่หมายถึงว่าครอบครองอย่างมั่นคงเขาก็เลยอธิบายสแตวาไปว่ามั่นบนบัลลังก์พระองค์ทรงมั่นอยู่บนบัลลังก์มั่น มันไม่มีนะะเนื้อหาเกี่ยวกับเพราะนั่งไม่ติดไม่มั่นไงก็คือคือคือมั่นคงนอยู่บนบัลลังก์อันนี้ที่มีในกุฎอ่านอิสลามกระเพียงพอแล้วแต่เราต้องตั้งคําถามว่ากุฎอา่านพูดถึงซีฟาตเนี่ยซีฟาตนี่แปลว่าคุณลักษณะของพระเจ้าอันหนึ่งนะพูดบ่อยนะเจ็ดครั้งที่พูดถึงเรื่องพระองค์ทรงมั่นหรือประทับอยู่บนบัลลังก์หรือสถิตบนบัลลังก์เนี่ยเจ็ดครั้งนะ แต่เรื่องสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอกวันเนี่ยนี่ประมาณสี่ครั้งนะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็สถิตบนบรนลังเนี่ยเจ็ดครั้งเพื่ออะไรคือถ้าหากว่าเราได้ศึกษาโครงสร้างของโลกจักรวาลและชั้นฟ้าและแผ่นดินที่อัลลอสร้างไว้เนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างที่ผมได้อธิบายข้างต้นเนี่ยเราจะเข้าใจเหตุผลว่า ถ้าหากว่าพระองค์ทรงสถิตทรงมั่นอยู่เหนือบัลลังและบัลลังเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้และพระอัลลอ์เนี่ยทรงมั่นอยู่บนบัลลังแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยพระองค์ครอบครองจึงเป็นสัญลักษณ์ของทุกอำนาจในแต่ละอาระยธรรมในโลกใบนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ย ของกษัตริย์ที่จะครอบครองแผ่นดินครอบครองอำนาจต้องมีบัลลังก์ต้องมีอำนาจบัลลังก์นี่ก็คือสัญลักษณ์ของอำนาจแต่ไม่มีนะกษัตริย์ที่ไหนที่ไม่มีบัลลังก์นะต้องมีถ้าเราว่ากษัตริย์นี่เขาครองอำนาจแต่เขาไม่มีบัลลังก์ไม่เคยปรากฏนะต้องมีบัลลังก์ดิยินจะรู้ว่า บัลลังก์มีอยู่เหนือเกุรอีและกุรอีนี่มีอายะเฉพาะเลยเนี่ยอายะตุลกุรอีเนี่ยสิ่งอายะกุรอีที่เราอ่านบ่อยนีย่ที่ทำให้เราได้มีความลึกซึ้งในความกว้างขวางของอำนาจของพระองค์ที่จะช่วยเหลือเราในทุกกรณีที่เรารู้สึกอ่อนแอพอทุกกรณีที่รู้สึกอ่อนแอเนี่ยเราจะ อ, อาณาเกุรอีตอนนอนหลับเพราะเราจะไม่มีมันไม่มีสติ เราอ่านอะไรตะกรุสีใช่ไหมยามเช้ายามเย็นยามเช้าเนี่ยเราจะเริ่มทํางานแล้วเราก็จะได้ตะกรุสีพึ่งพาอํานาจของมอยามเย็นเนี่ยเราอ่อนเบียแล้วทำงานทั้งวันแล้วแล้วก็จะจะจะพักผ่อนแล้วอ่านอะไรตะกรุสีก่อนนอนหลับนี่อ่านอะไรตะกรุสีเวลายินเชยตอนนี้มาครอบงําอ่านอะไรตะกรุสีทําไมอ่ะเพื่อ ทุมภาอำนาจบารมีขอลเราแต่ที่แปลกเนี่ยวายานีแล้วก็นบีเนี่ยเป็นเป็นคนตั้งชื่อนะวายานีชี่อายะอัลกุรซีให้เราเนี่ถึงกุรซีตํานงกุรซีต่อขนาดนี้วกันเนี่ยเราก็อ่านแล้วศึกษาในกุร์าีเนี่ยวากุรอซีนี่ถึงแม้ว่าจะกว้างไปสารขนาดไหนอ่ะแก็ยังไม่ที่สุดนะมีที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คืออัลลอและมีที่ สถิตบนอาร์ซิก็คืออัลลอ์เพื่อสมการเนียทำให้เรานี่เชื่อตลอดเหตุผลว่าทำไมอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องการสถิตบนบัลังเนี่ยเพื่อให้มนุษย์ท bon ah. ah bon uh ah. ุกคนเนี่ยเชื่อในอำนาจของอัลลอ์อันนี้เรื่องสำคัญมากสำหรับอุษตาโดยเฉพาะถ้าอ่านท่อนถัดมายดับบรุลอัมระ พระองค์ทรงประดับบนบัลลังก์ละทรงบริหารกิจการนี่ยุบิรอ er ัตตบีร <virtually> ค <created sei> ือบริหารอัตตบีรอัมรกิจการอะไรกิจการของสรรพสิ่งต่างๆที่เราสร้างมาแต่ละสิ่งที่เลาสร้างมันมีกิจการของมันนอที่เราสร้างนี่แมลงแมงที่เลาสร้างนี่มันต้องกิน มันต้องดัมดัรงชีวิตเนี่ยและชีวิตแต่และชีวิตนี่มันก็มีคั้นรองของมันมีกติกามีระบบีนทั้งหมดเนี่ยกิจการแล้วเราต้องต้องจัด ก, กิจการสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนี่ต้นไม้ต้นไม้นี่มันมีกิ่งมันมีใบไม้การที่ใบไม้ทุกใบเนี่ยงอกเงยขึ้นมาและการที่ใบไม้ทุกใบนี่จะร่วงลงมา ทั้งหมดนี้เป็นกิจการว่ามาตสกุตมิวรกคตินอิลลยอัลลอมฮัหมคือไม่มีใบหนึ่งที่มันจะงอกขึ้นมาหรือจะร่วงลงมานี่นะอิลลอัลลมุฮัหมัดเาะอัลลอฮ์ทรงรู้รู้นี่ว่าพระองค์นี่บริหารอยู่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมากนะครับเวลาผู้ศรัทธานี่เจอปัญหาในชีวิตแล้วจะพึ่งพาอํานาจใดๆที่จะแก้ไขปัญหานี้ ผู้ศรัทธาจะไม่เชื่อผู้ศรัทธาจะไม่คิดแม้แต่น้อยแม้แต่นิดแม้แต่นิดเดียวว่ามีใครจะมีอำนาจเหนืกอกว่าเราเจอปัญหาสุขภาพเจอปัญหาทำงานเจอปัญหาปัจเจียงชีพเจอปัญหาคนล่วงเกินมาทำรร ม, มาสุลุมเราหี่แลวเราต้องการสู้กับปัญหานี้ถ้าเราอยู่อยู่ในบรญยากศของอายะเนี้ย ถ้าเกิดเราปรัใจพวกเราเนี่ยพระเจ้าของพวกเราเนี่ยคือองร้อนนะเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะและสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราสร้างที่มันมีความยิ่งใหญ่นี่ทั้งทั้งหลายเนี่ยที่เห็นและไม่เห็นนี่นะ mm. เหนือจากนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือบรลังและพระองค์พระเจ้าของเรานี่อยู่บนบรลังนะและพระพระองค์นี่ไม่ได้สร้างแล้วก็ทิ้งนะ เอฟะฮ์สิบดอันนมา خلقنا คุณอาเบซาอีกสองร่างเงลพวกเจ้าพวกเจ้าแค่คิดพวกเจ้าแค่คิดว่าเราได้สร้างพวกเจ้าแล้วก็ทิ้งพวกเจ้าแค่นั้นเดืสร้างเล่นๆนี่แล้วก็ทิ้งทิ้งแบบนั้นนะจุดเริ่มต้นนี่อัลลอฮ์เป็นผู้ริเริ่มการสร้างและจุดๆนี้ก็อยู่ที่อัลลอาอันนั้นคุณเอเลน่าเราตูจาคิดว่าพวกเจ้าก็จะไม่กลับละ นีุ่บจบตุกกบไปหาลอสุดบริหารเรื่องในเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครจัดการได้อะมีคนนี้มาจัดการได้แต่จัดการจะช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็โดยอนุมาตจากอัลลอฮ์ سبحانه และตาะห์ละม่มีชีวิอันอืลนบินบังดีอิสนีไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ คนได้เว้นแต่อ l l a h เว้นแต่ต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์ชซฟิยาช่วยเหลือนี่เนี่ยอาละมาบางท่านบอกว่าวอ๋อหมายถึงมาวันเกียรมาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกนี้เนี่ยโลกนี้เนี่ยอยู่กันแบบสบายสบายแต่โลกหน้าต่างนานนาะคือคือเรื่องใหญ่โลกหน้านั้นน่ะนะไอคนที่มีอำนาจคนที่มี สตุงสตังเขาจะมาสบอดอะไรไหมไม่มีใครช่วยอะไรนอกจากเราจะอนิยาตแต่วันละบางท่านบอกว่าทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านั่นแหละใครจะช่วยอะไรนี่นะก็ต้องเราต้องอนุญาตเราไปตรวจเจอโรครักษายากหน่อยก็ไปเจอหมอเออชื่อหมอนี่ดังนะเขาเก่งนะรักษาเก่งนะล้วก็ไปหามหมอช่วยผมหน่อยช่วยผม เรากรู้หมอกรู้ว่ารักษาขาดได้ไหมแม้เงน้นโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลนี่นะเขาจะเพิ่มฮะรักษาขาดแย่งลูกค้ากันไงทำได้ไหมมเคยเคยได้ยินแม่มีคลินิกที่ไหนหรือมีหมอที่ไหนมารักษาขาดนี่ไปดูดิแมก็ตั้งัลยกรรมสรัญญกรรมเสริมงามะนะเสริมสุดเสร็จแล้วะนะมันจะมีคลินิก แก่สัญญกรรมไอ้แก้ความหลอยถอยของหมอคนอื่นนี่รับสัญญกรรมผิดพลาดไงไอ้นี่จะแก้ให้ถ้ามันเป็นผลงานของมนุษย์ดังนั้นน่ะหากินแบบเนี่ยเราไม่บอกกับคุณหมอคุณหมอช่วยหน่อยช่วยนี่ถ้าว่าเราเสือ่อว่าหมอช่วยหายจริงอื่นจัดอำนาจของลอร น, นี่นะอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งขากีก็ เท่ากับหมอนี่มีเหมือนมีอะไรวิเศษของพระเจา้าไงไอคนที่ไปต้นตะเกียนุ้นยี่สิบปีไม่มีลูกมีคนไปหลอกวกว่านุ้ น, นไปเชือดแพสตัวหนึ่งถวายให้ต้นตะเกียรแล้วดจะมีลูกคนที่ไปแล้วก็ไปเชือดไม่ได้มาทำบุญแล้วก็ไปขอดุอาจะกลับมา โอ้แม่ขอยันมีลูกฉันมาขอดูอาที่นี่ที่สถานีอันศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์โตตะเกียอันนี้ไม่ใช่ชิริกแต่มันเป็นแนวทางสู่ชิริกเพราะเขาไม่ได้เชื่อ ว, ว่าโตตะเกียร์เป็นคนจะให้มีลูกนี่นี่นนเรื่องสำคัญนะ ไอ้พวกต้นครูที่ชอบบอกว่าไอ้ใครไปต้นตะเกียบชีวิตตกศาสนาทั้งนั้นนะอันนี้อันนี้ต้องใจเย็นๆนะเกี้ยหนึ่งก่อนนะเกี้ยหนึ่งเออมากกว่านี้นะเคยมีเรือล่มเที่ยวดิาล่มเขาบอกว่าเนี่ยจะไปต้นตะเกียบนี่นั่น่ะตกศาสนากันนั่นนะเขายังเพิงไปยังไม่ได้ไปต้นตะเกียบนะเขาแจกใบแดงหมดแล้วไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้แต่ถ้าเขาไป อันนี้ต้องสอนคนเขาจะได้รู้ไงจะได้เคลียร์ตัวเองไงไปตัวตะเกียโอ้ตัวตะเกียร์ฉันน่ะทานู่นแล้วก็แล้วมาแล้วไม่มีใครจะช่วยฉันมีลูกได้นอกจากท่านช่วยฉันหน่อยอันนี้ตัวตะเกียเป็นอะไรเป็นพระเจ้าแล้วเป็นพระเจ้าอันนี้นะเชริกเชริกใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เชริกเล็กนะอันนี้เิริกตกสาสนาเลยแบบนี้ د อ ا ء นี่เป็นการ礼拜อัจจะละ礼拜 เรื่องสำคัญของของไบาดันี่คือดุ ه, ด ه, ดดาอาและวกาเราเอาดุอานี่มามใช่กับคนน่ะมนุษย์น่ะคนตายด้วย จ, จะไม่ชชลี่ยนิดหด้แต่สำหรับผู้ศรัทธาที่อยู่ในบนรรยากาศของอญญาญาเนี่นะอ้ออไม่ได้เนฉันจะเชื่อเหรอว่ามีใครสามารถช่วยอะไรฉันได้อื่นจากอลัลลอฮสุบฮานะวะดาะ และปัจจัยต่างๆที่บางทีเราก็จะขอความช่วยเหลือเราอยากมีเส้นสายเราไปรักษาโรคเราอยากได้นู่นอยากได้นี้แล้วก็ทําอะไรตามปัจจัยตามคันลองตามกฎของสังคม嘛นะแต่เราเชื่อว่ามันก็ไม่จบที่นั่นมันจบที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาแตพระเจ้าอนุมัติเท่านั้นอันนีเนี่ยสิ่งที่เราต้องถอดบทเรียน จากบรรยากาศของอายะเนี่ยเพราะการที่เราอ่านอุษุนอ่านแล้วก็ทอรอบเรียนแบบนี้เนี่ยมันจะได้เป้าประสงค์ของการประทานลงมาของอุกุนอ่านว่าอัลลอฮ์ต้องการปลอบใจพวกเราว่าอย่าท้อนะแล้วก็อย่าไปพึ่งพามานุษย์นะเพราะมนุษย์มันก็อ่อนแอเหมือนเหมือนเหมือนคุณ น, นี่แหละมนุษย์นี้ช่วยคุณไม่ได้แล้วแล้วเราเรามีทฤษฎีอะไรที่จะอธิบายว่าบางทีเราก็ไปหาคนนี่เขาก็ช่วยนะ บางทีเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยโดยบังเอิญแต่ก็มีหลายคนไปขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้ช่วยหรือช่วยไม่ได้หมอหั ว, วคนนี้เก่งไขไปนี่ก็รักษาหายเลยแต่มีบางคนก็ไม่หายก็มีคุ่ยานี้ดีนะยานี่ดีแต่มีคนที่กินยาแล้วก็ไม่หายยาทุกชนิดเลย มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ a l l ไปถามคนในคนในสังคมนี่อะไรที่จะอำนวยความสุขสํสำหรับมนุษย์ทุกคนฮ่าฮ่ามนดิจิตอลสิเหมือนบานีนรุ่งเลยนะอาจจะกินชาบูได้กินหลายวันด้วยมือถือได้อะไรนั้จะสัญญาตามจมูกยังได้เลย เหมือนหนึ่งได้า ม, ม, มีนจะได้ได้หมดเลยสตงังถามคนในสังคมมาอยากได้อะไรจะได้มีความสุขสตงังโ้ก็มีสองคนนี่อันนี้เป็นคิดนะคนนั่งดูอากันอยู่นักาบบคนนึ้นนนว่าอ่อ a อิหนฟูลสลสอลล้อสตังอย่างนี้เลยอลล้อสตงังขอสตงังขอตงังขอตงังขอตงัอตง ไอ้คนนี้กลาๆนี่ก็บอกว่าเฮ้ย่อห น, น้ากาบานี่ขอสวรรค์พ้นจากนรกกันอะไรเนี้ยสตังเดี๋ยวสตังมาสวรรค์มาเน่ยสตังสตังสตัง <laughs> คนส่วนมากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเชื่อว่าสตังนี่มีอิทธิพลในการอํานวยความสุขจริงพวกเราเชื่อไหมนะเชื่อไหมถ้ามีคนบอกว่าให้ล้านบาทไม่ต้องมาเรียนตัศนศิล์อย่าว่าล้านเลย ย่าว่าร้าเลยเราเทียบเทียบสิ่งบางสิ่งบางอย่างเทียบตามมาตรฐานของผู้ศรานี่ก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนคนทั่วไปผู้ศรานี่ก็จะคิดไม่เหมือนคนทั่วไปไอเริ่มต้นจากการที่เราละหมารักษาเวลาละหมาดทุกเวลาเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยแต่ทำไมต้องละหมาดมันเริ่มจะคิดแล้วไงคือถ้าเราคิดไม่ถูกเนี่ยทำไมละหมาดทาไมต้องละหมาด ท้าไม่ได้อะไรบังอาจจะเสียเวลาแต่เราเรามีมาตรฐานที่ไม่เหมือนคนทั่วไปแล้วทพาเจ้าบริหารกิจการทั้งหลายเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยอย่าได้ไปผูกมัดกับใครอย่าได้ไปผูกมัดกับภรรยากับสามีกับลูกกับเงินกับอํานาจกับตำแหน่งกับรถกับอะไรสักอย่างหนึ่งกับของแบรนด์กับมือถือกับอะไรอย่าไปผูกมันเพราะ มันช่วยไม่ได้จริงสตังที่บอกว่าสตังนี่มันอํานวยความสุขให้มากที่สุดแต่ทําไมคนข้าวตัวตาส่วนมากถึงคนรวยมันมีบางอย่างนี่มันฟ้องเนี่ยว่าเงินเนี่ยหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราพึ่งพาความช่วยเหลือของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ได้แต่ในเมื่อผู้ศรัทธาเชื่อว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สุดแล้วของผู้ศรัทธาเนี่ยคืออัลลอ์นี่แสดงว่าหัวใจของเราจะต้องผูกมัดกับอัลลอฮ์ سبحانه แะไม่มีใครจะช่วยเหลือนอกจากอนุมัตจากอัลลอฮ์ سبحانه แตนี่แหละแดริคุมุลลาหนั่นคืออัลลอ์นี่คือลลอง่ายๆแล้วใครใครถามว่าใครที่ให้เราได้เป็นผู้ศรัทธาลไงคือการที่จะ ถูกถามว่าอาจจะไม่มีใครจะถามามันคําถามนี่ไม่เขไม่ไมค่อยมีคนถามใครสร้างตัวเองขึ้นมาไม่คยมีใครถามนะนะแต่ถ้ามีคนใครใครที่ให้ตัวเองขึ้นมาเกิดมาในโลกนี้เนี่ยความสามรับคนที่สายตาสั้นนะ่ะนะพ่อแม่ถูกต้องปะมันก็จริงระดับหนึ่งสําหรับคนที่มองแค่นี้แต่ผู้ถามแล้วก็พ่อแม่ละ่ะ ก็บูญญาตายาญ่แล้วก็ทัวตเดมันไม่จบไงมนุษย์มีใครสร้างขึ้นมาที่จริงแล้วนี่มดลูกของบรดานน่ก็ไม่ได้เป็นแหลบนะพ่อแม่ไม่ได้เอาควักมือไปสร้างคนอยู่ในมดลูกนั้นไม่พ่อแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะพระเจ้าได้จัดการทุกอย่างเห็นไหมคำตอบของของผู้ศรัทธานี่ถึงจะไม่มีคนตอบนี่แต่ละมันมันมีความตรหนัก เกินไเนี่ยลอใครให้ากินน่ะอเชคือมันตอบได้ไงสมคนด้วยไนี่ตอบแบบนี้ไงเนี่ยมือนี่ยแขแต่สําหรับผู้ศรัทธานี่ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยมีสาบับมีคนอํานวยให้ทั้งหมดนี่อันนี้อันนี้ทั้งหมดนี่เป็นปัจจัยที่อัลอนุญาตให้เขามาช่วยอนุญาตนะแต่เราจะตอบยู้ศนี่อัลลให กินยังไงอัลอให้อยู่ได้นะยังอัลลอฮให้มีสุขภาพยังไงอัล h a m d u l i อลลอฮ์ใหุ้มลลอห์และในเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างรับุกุมนี่คืออัลลอฮ์พระเจ้าของพวกท่านเห็นมารับบุกุมอย่เขาก็แปลว่าพระเจ้าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้สร้างผู้ดูแลพวกเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นตามตรกะแล้วนี่นะไม่มีใครที่ควรแก่การสักการะต่อพระองค์นอกจากอัลลอฮ์ฟาบูดู พวกท่านจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดและเนี่ยรับุคคมฟาบูดูรับุคุมพระบูริบังว่าฟาบูดูจงเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวเนี่ยที่อัลลมมาบางท่านจึงบอกว่าการเชื่อว่ามีผู้สร้างผู้เดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มฮิดุลรูบูบีอะที่อธิบายตอนต้นนะและการที่มอบการสักการะให้พระเจ้าเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มฮิดุลอูลูฮียะ คือการที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเดียวที่ต้องเคารพสักการะอนั้นเชื่อว่าพระผู้สร้างอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องสักการะนะแต่ถ้าสักการะพระเจ้าองค์เดียวนัอาจารยเรกว่าเตหดุลอลฮียะซึ่งอุลามะบางท่านสลเขาบอกว่าพระเจ้าอิลันนก็หมายถึงว่าพระเจ้าเดียวที่สร้างนี่อาาเรียกว่าติดุลอลฮีย์มีอุลามะที่บบนลรบูบียะนี่การที่เชื่อว่าผู้สร้างที่ต้องเคารพ เราต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการสักการะก็คือรับเนี่ยเขาเรียกว่าดาวฤกษ์ดุรุบุบียสรับกันแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราอธิบายแล้วก็เข้าใจตรงกันฉะนั้นอย่ายึดนะครับตอนนี้นี่ส่วนมากเนื่องจะกว่าตำราส่วนมากเนี่ยตำรานี่ที่จะพูดถึงเรื่องตาวฤกเนี่ยส่วนมากเนื้อหานี่มาจากเชฟุลสลายอิมเตเยมียอิมูเตียมีานี่ได้แบ่งตาวฤกเนี่ย เป็นสองเรื่องหลักๆเตวพิตรรูบูบิยะและก็เตวพิตรอุลุฮียะรุบูบิยะนี่เชื่อว่ามีผู้สร้างองค์เดียวอุลุฮียะนี่เชื่อว่าพระเจ้าที่ต้องสักการะมีอยู่พระเจ้าองค์เดียวแต่เวลามาท่านอื่นนะี่นะเขาบอกว่ารูบูบิยะนี่คือเชื่อว่ามีผู้สร้างองค์เดียวเอเมนไหมอุลุฮียะนี่เชื่อว่ามีพระเจ้าที่สร้างโลกนี้เนี่ยองค์เดียว รูบูบิยะนี่ในเมื่อเชื่อว่ววามีผู้สร้างองค์เดียวนี่ก็ต้องสกการะพระองค์องค์เดียวนี่รุบูบิยะคือสลับกันนะนะแต่เรื่องนี้ม่ผมเขาเรียกอิสติละเพมันเป็นเรื่องศาสตร์เรื่องนิยามนิยามทางวิชาการไม่ได้มีตัวบท หลักฐานเจาะจงคือไม่มีมีอายะม่มีห a d s บอกว่าแต่วให้ดุรูบียะแบบนี้แต่วให้ดุรยแบบนี้อ่าทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะเหล่านี้เนี่ยก็มีสอนหนังสือเยอะนะของอเมอตยมียะของมหัมะอฮามแล้วเขาก็จะเน้นตวให้ดแบบนี้ตามนีอยานี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าอ๋มีอยไม่มีมีงีไม่งั้นไม่ใช่มนหของสลับอันนี้ไม่เกี่ยวกับมันสลับนะอันนี้มันเป็นเรื่องตีความตีความในตัวบท แลามะท่านอื่นนี่ก็มีความก็ได้นะครับมาเรื่องเตวฮดนะครับเตฮดเนี่ยอิามอิบนุตัยมีะแล้วอิบนาตยบว่ามีสองประเภทเท่านั้นแล้วก็เตวฮิดุลมาอะและเนี่ยเตวฮิดุล أ และศีรษะเนี่ยเขาบันจุไปอยู่ในเตวฮิดุลอุลฮิยะแต่มุฮัมมัดอิบนาะฮ์บอกว่าเตวฮิดนี่มันสามแล้วก็เรื่องนี้มัน มันมือนรุกุนอิสลามเหมือนรุกุนอิมไม่ใช่นี่นบีไม่ได้พูดต่อฮีดเนี่ยสองประเภทหรือสามประเภทนบีไม่ได้พูดนะแต่ถ้าใครเขาบอกว่ารุกุนอิสลามนี่ไม่ใช่ห้าเจ็ดหรือสามหรือสองอย่างเนี้ยเนี่ยไม่อันนี้ให้ต้องคุยเพราะอันนี้มันมีตัวบทรองรับแต่แต่อหีดสองหรือสามนี่นะอันนี้ไม่มีตัวบทอันน er ี้มันเรื่งความเข้าใจตีความฝฟั่งจะรูนพวกท่านมิได้ใครรุนกันดอกหรือ นั่ แ, แสดงว่าทั้งหมดนี้ต้องไข้ควรไครควรด้วยตัวเองตัวเองและไข้ควรด้วยการศึกษาบางส่วนนี้จะไข้ควรด้วยตัวเองได้แต่าบางส่วนนี้ถ้าไม่สามารถไข้ ค, ควรด้วยตัวเองนี่ก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้จะกตำราจากผู้รู้บางเรื่องที่เราใคร่ควรโดยอาศาัยตัวบทอย่างเช่นอายานัยะนี้เราอาจจะไข้ควรระดับหนึ่งก็จะได้ความหมาย ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็หาความรู้จากผู้รู้จากตำราเนี่ย เ, เราอาจจะคร้ควรวญอีกหลายระดับอีกหลายตอนมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่การขวนขวายของเราการขยันของเราในการที่จะเรียนรู้เนื้อหาของอัอนกุศานี้มากขึ้นนะครับมีคำถามไหมอันดับันสาระทันสา ร, ระตื่นกลางคืนศนิฐานนะครับตื่นหลังเที่ยงคืน ตอนไม่หลับก็เดินคือแต่สิ่งที่เขาตื่นีิวคือมันมันน่าน่าตกอกตกอกตกใจนะฮัะนซาลานี่อยู่ที่บ้านตัวเองนี่อยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับทรัพย์สินกับสวนอิมพัลํากับอะไรนี่ก็ไม่มีความนึกถึงสวรรค์หรือนรกหรือวันเกียร์มากเลยเทียบกับตอนนี้อยู่ท่านนาบนีโอ้นบีเตือนเรื่องสวรรค์นรกเนี่เขาก็ซึ้งมากถึงกับเหมือนเห็นนรก เห็นสวรรค์จ้ะจ๋ฮังโซล่ก็เลยนึกว่าเธออยู่ที่บ้านแล้วก็มัวแต่ยุ่งกับเรื่องโลกอย่างเดียวซึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นเกมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังเพลงนะไม่ได้ทําสิ่งที่ฮารอมนะไม่ก็สิ่งที่ฮาร่าลี่แหละแต่ทําให้เขาเนี่ยไม่รําลึกถึงอาครอตลอดเวลาฮังโซล่นึกว่าเนี่ยเป็นมุนาฟิกแล้วเพรามุนาฟิกอี่สองหน้าไงอยู่กับนบีอย่างนึงก็อยู่กับตัวเองอีกอย่างหนึงเขาน้กว่านี่มุนาฟิกแล้ว ก็เลยกลัวกลัวนี่ออกจากบ้านนี่เขไม่รู้จะไปไหนเตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะไปหาท่านนบีนะก็เจออบุบักคือตกนู้นนะถ้าถามลเบ็บอกว่าอบกถามตื่นมาอะไรตานี่ทาอะไรฮนซอก็เลยบอกเอาว่ากฉันนี่ก็เหมือนเลยที่ออกในพราะเนี่ยเจอเหมือนเลยข้อสังเกตนะว่า เขาไม่ได้ตื่นกัางคืนออกไปไหน้อบุรีไปไหนดไปดูหนังหน่อยสิ่งที่มันมันวนอยู่ในหในหัวเขาอะเรื่องสูงส่งเรื่องดื้นใหญ่อะแค่นอนนอนกับเมียกับลูกกอดทรัพย์สินอะไรนี่อันนี้เขาก็คิดอะคิดคิดอยู่ตลอด ไม่กล้านะฮันโซลานีรู้ว่าซาฮาบานีมารยาทเนี่เขารู้ไงว่านบีอยู่บ้านแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอะไรจําเป็นเนี่ยไปหาท่านนบีไม่ได้หรอกฮันโซล่าก็ไม่จะคือซาฮาบ้ายไม่ไม่ได้อยู่ในแนวหน้าน่ยก็น่าจะตายหน่อยแต่จะเอาบักรู้บักรสนิดท่านนบีเอาบัก็บอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่พอสมควรนะรับผิดไปหานบีดึกดึกเลยนะ โชคดีนะสังโชคดีนะคามากก็อัน น, น, าานั้แหละก็บีฮาดนนบีนบีก็เลยบอกก็บขบวนกับท่านนบี่องที่นบีก็บอกว่าแต่พวกเจ้าพยายามเอาเรื่องสวรรด์และละกเนี่ยพยายามอยู่กับพวกเจ้าตลอดเวลาเนี่มมยมาเลก็เนี่ยจะลงมาขอสลามขอจับมือเพราะคนที่สามารถบริหารชีวิตของเขาเนี่ย เหมือนอยู่กับอาคิระอยู่ในปรโลกอย่างเดียวนี่นะอันนี้ไม่มีโอกาสที่ทําบาปเลยแล้วถ้าไม่มีโอกาสทําบาปก็เหมือนใครเหมือนมันเยกันมาาันเลกันไอ้นี่พวกเรานี่ยว่าแต่เนื่องจากว่เรามีบาปเนี่ยการที่มนุษย์นี่ดีบาปเนี่ยทําให้สรีระจะเรูปรูปประทัมของเราภายนอกเนี่ยไม่มีนูรอนี้ย่เนี่ยไม่มีรสมีของมันเลากันแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่มีบาปเนี่ย เขาจะไม่มีเนี่ยรูปธรรมของมนุษย์เนี่ยมณทินเนี่ยที่มันปิดบังรัศมีเนี่ยมันจะหายจะมีแต่รัศมีมาลยกาเนี่ยเอ้ยมนุษย์เพราะมาเลย์กามาจากรัศมีมาจากนุษเนี่ยนี่ก็จะมาขอจับมือเราขอมาอีลาเนี่ยแปลว่าพูดถึงเขาลงสักการด้วยได้ไหมได้ทั้งหมดเนี่ยมันมีความหมายก็ได้กันแล้วความหมายเป็นลูซูหมายถึงว่า บ้านปายมันก็ต้องเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าถ้าเป็นสุดที่รักละ่ะก็ต้องเคารพสักการะแสดงว่าคนที่ไม่ได้เป็นสุดที่รักเนี่ยไม่เคารพสักการะนะเราจะรักใครเนี่ยก็รักแต่ไม่เคารพสักการะแต่ที่สุดที่รักเนี่ยนั่นน่ะต้องเคารพสักการะเวลาเราเริ่มสมมติแถวแรกเป็นเจนแล้วเรามาเป็นคนแรกของแถที่สองนีเราเริ่มัแ่ด้นเริ่มตั้งแต่กลางอิ ม, มัม นีัถ้าชนะที่ถูกต้องไม่ไม่ไปทางซ้ายทางขวาไม่ไปมามาเริ่มต้นเด็ซอบสองแถวที่สองนี่มันก็ฮุกกลมคือหลักการเนวของแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเนี่ยทอเริ่มต้นนะ่ะเริ่มต้นจากไหนอีมามอยู่ตรงกลางเี่แล้วก็นเราไปตั้ ง, ไ ป, งไปตั้งแถวกันแถวแรกนี่ตั้งขวาแหละมีไหมเคยเห็นไหมอ่านแล้วทำไมมาตั้งตรงกลางล่ะทำไม หลักการของแถวที่สองก็คือแถวที่หนึ่งนี่แหละสามก็คือสองซึ่งมันมีหะดีฮะดีที่อุลลามะส่วนมากเนี่ยเขบอกว่าฮัสซันแต่อุลลามะบางท่านนี่บอกว่าอยายฟันดูอ่อบูดาวูท่านนาบีบอกว่าว ส, สิตุลอิห ม, ม่าจงให้อิหม่ามอยู่ตรงกลางส่วนจะเตอมมนะันอันนั้นในเหตุผลที่ท่านนาบีบอกว่าบรรดามาลาย่าเขาจะขอดูให้คนที่อยู่ขวาขวามืออิห ม, ม่า ถ้าเริ่มจากกลางเนี่ยแล้วก็มาเติมมาเติมจากขวาก่อนก็ได้อันนี้ได้แต่เขาไปเข้าใจกระนวัวอ้อมขวานี่มีความประเสริฐเริ่มไม่มีฮะดีสไม่มีตัวบทหลักฐานบอกว่าให้เริ่มซอฟจากข้างขว า, ขาไม่มีเลย mm hmm. เอาจากเอาจากฮะดีสที่พูดถึงเรื่องความประเสริฐของด้านขวาของอิหมั่มเท่านั้นซึ่งมันไม่มีไม่มีเรื่องของการตั้งซอฟเนี่ยแต่ฮะดีสนี่มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตั้งซอฟเลยวัสตุลอิห ม, มะ่ม หมายว่าจงยืนให้ที่มามอยู่ตรงกลางถ้าเราไปยืนตรงนู้นไหนเราอยู่ตรงกงลางไหมซึ่งมีมีบ้านเราที่เดียวน่ที่เขาทำกันอย่างนี้บ้านานี้เริ่มซอฟต์จากเครื่องกว่าคือบ้านเรานี้ยจะจะสุดยอดไงทุกอย่างปีหนึ่งมีนายกสองคนอะไรแหละเงี้ประเทศพวกเรามีามีแต่ว่าเราเป็นมัสยิดแล้วก็ไปถึงเนี่ยมีควนตั้งควาสุดละเหมือนอย่างที่ที่พวกมิสกูดแล้วก็มีสองคนเ น, นีย เาเคนที่สามอสองเราจะแลวเรายิดว่าฮดิสต์อนเราจะดีตรงเขามาก่อนเนี่ยไปยินเหรบแต่ขเขามาก่อนนะแ้วปี น, น่ะเขาแต่ถ้ามาพร้อมกันนะนะลากมาลากมาเลย่นลมาเล่เข้ามา่เลยถ้าเขายอมนะการตั้งซอกสองที่ไม่ใช่มณฑิดนะฮะตอนนี้เราเดือร้า ละหมาดหลายจะมาที่ไม่ใช่เมสิดทําได้แม้แต่ดั้งเมสิตเดียวนะถ้าเป็นมัสิดสัญจรนี่บางคนบางคนเข้าจะผิดว่าเมสิดเดียวมีสองเจ้าหาเนี่ยไม่ได้ใช่มีสองเจ้าหาในเมสิตที่มีจะาหมาชัดเจนเมสิดชุมชนมีเจ้าหมาชัดเจนอันนี้มาซ้อนในเวลาเดียวหรือเวลาอื่นก็ไม่ได้ต้องละหมาดต่างคนดังละหมาดห้ามดั้งจะาหมาถ้าเป็นเมสิดชุมชนแต่ถ้าเมสิตสัญจรอย่างเงี้ย เราไม่รู้ย่ามาสัสยิดอ่ะมสัสยิดส่วนน้ำพุมเน่ยมุสลิมลาที่ส่วนน้ำพมดอนเมืองหรือที่ไหนก็ได้เราไมู่้เลคนนี้เขามาเที่ยวจะขึ้นเที่ยวบินจะลงเงินไม่รู้ไงต่างคนต่างละหมาดให้มีหลายจะมาหนี่ได้ไม่มีปัญหายินงแต่มาเย่มัสยิดเนี่ได้ยิง่งแต่มาเยีนะ่มัสยิดนะอุสลิมสัจร น, นะสัจรหมายถึงว่าคนเขามาพึ่งาพาจะได้นที่ละหมาดอ่าหรือเป็นอาจจะเป็น ที่ละหมาดไมเนี่ยไม่ได้เป็นมุส ล, ลิมบางทีเนี่ยที่เขาเตรียมใละหมาดแถาาวที่สองจะมีคนเทียวได้ไหมถ้นะอุลามา ส, ส่วนมากบอกว่าท่าละหมาด <c oughs> คนเดียวในซอฟด้านหลังในซอฟข้างหลังนี่ไม่มีคนละหมาดด้วย <c oughs> ถ้ามีเหตุผลนะนะละหมาดสอใช้ได้แต่ทัศนะอุลามาส่วนมากนี่ที่เขาบอกว่าละหมาดได้คนเดียวได้แต่ควรจะดึง <c oughs> แล้วเขาอ้างหะดีสมันนษย์มัมเบัร์เซอร์นี่ ให้ดึงซึ่งฮาริสโดนอิฟและจากสุวนหนาของท่านนบีละสัมบ้านนี่ไม่เคยพบเรื่องนี้ปรากฏจริงคือถ้ามันปรากฏครั้งหนึ่งหรือบ่อยครั้งนี่มันแต่นี่ฮาริสที่มีเนี่ยอันนี้หาริสเดียวกัล้วก็โดอิฟด้วยท่านนบีสุลต์ละละเซลันก็บอกเหตุผลที่เขาบอกว่าให้ดึงเนี่ยในมัซจำชีบีเนี่ยมีระบุรละเอียดเยอะในเรื่องเรื่องดึงถึงจะบ้านเรานี่จะมีเรื่องดึงนะให้ดึงแต่คนละมานี้บอกว่านอกจากว่าฮาริสโดอิฟ นอกจากว่าที่หนึ่งคนหนึ่งจากซอฟแรกนี่มาอยู่กับคนที่ยืนคนเดียวซอบที่สอนอกจากว่ามอนตอฟเนี่ยมันจะขัดกับที่สื่ออ่เช่นความประเสริฐของซอบแรก คนอุตส่าห์ออกจากบ้านมาตั้งแต่เนิ่นๆจะได้มายืนหลังอิหมามทันตักบีรกับอิหมามแล้วก็ไอ้พวกหลอยเ ท, ยท่ที่ขี้เกียจที่เล่นเกมที่ดูหนังดูบอลนี่นะมันมาที่หลังแล้วก็มาลากกูมาให้มายินเซตที่สองเพื่ออันนี้ผลอันหนึ่งนะนึกอะไรจะมาดึงมาดึงก็เรื่องอะไรกูมาก่อนนะ่ะเป็นเป็นพี่อะยอมมะเลมัสต์ชบีเนี่ยเขาบอกว่าคือต้องตึ้ง ควนที่จะถอยให้เขาด้วยนะคือในมัสยิีนี้มีหลักการกืบอกว่าละอีซ่าเราเป็นกรบัตไม่มีการเสียสละในเรื่องผ ล, ลบุญเรื่องอะไรที่เป็นบุญนะ่ะนะไม่มีเสียสละอ่ะอย่างเช่นมาซอบแรกนี่มีอยู่ช่องหนึ่งมีอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีสองคนมาไอเชิญเชิญนี่นะไม่ได้ถ้าได้คว้าซอบแรกนี่เอาก่อนทำไมอ่ะเพราะบุญของซอบแรกเนี่ย มันมากกว่าบุญของซับสองก็เท่ากับบุญซับแรกนี่คนว่าเชิญเชิญเอาผลบุญของกูไปเ<ม>ขาโอลิม่าเขาบอกว่าแลี่อีสอารฟุลในเรื่องผลบุญ น, นี่นะเราต้องแย่งกันแต่อนเรื่องศาสนาเนี่ยเชิญเชิญเชิญชิแต่ท่าจะตังละ<ม>เอาคนไ ม, ไม่ไม่เลี้ยงเลยอสองแรกของตาเขาเปิถูกหรือเปล่าในแต้มมาถูกหรือเปล่ า, รรลาตรงกลางเนี่ยต้องเริ่มแต่ที่ประเสริฐประเสริฐกว่านี่ข้างขวาด้านขวานี่จะประเสริฐกว่า ขวานี่ประเสริฐกว่าตรงกลางสอบแรกนี่ประเสริฐกว่าสอบแรกนี่ประเสริฐกว่าสอบที่สองขวาของสอบแรกนี่ประเสริฐกว่าตรงกลางซึ่งคือโดยโดยระเบียบนะโดยระเบียบโดยสุนทรเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยและท่านอับดุลปถึงความประเสริฐของโซของด้านขวาของสอบเนี่ยนี่สําหรับคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยควรที่จะรักษาอยู่ในข้างขวา ไม่ควรที่จะมาแย่งอยู่หลังอิหมามเพราะคนที่ควรอยู่หลังอิหมามเนี่ยคนที่มีความรู้มากที่สุดท่องจำคุรานมากที่สุดนบีได้บอกลียาลียานีมิมกุมอุลุลอะฮ์ลามีวนุฮะคนผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีสติมีความรู้เท่านั้นนะ่ะควรที่จะมายืนข้างหลังข้างหลังฉันแค่นั้น สำหรับคนตั่วไปอะนะนเลือกข้างกว่าแล้วก็คดออกให้ผูร้รู้ให้คนที่ต้องจํากุศลเขาจะได้ทักอิมา ม, มแต่คนที่มีความรู้นี่ไปยืนอยู่หลังนูน่นเพราะอิมามจะทักนี่ยลบบบอุ่นน่ะทักมาจากนู่นนะซับไหนก็ไม่รู้และไอ้คนที่ยืนข้างหน้าล่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องทำยังไงวะนี่นี่เกิดขึ้นจริงอะนะยืนและมาดอยู่แล้วก็พอดีอิมามเขาผิดอะไรสักหนังผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคนที่ยืนกลาง เในละมาก็เขาไม่มีความรู้ไงคือไม่ทันจะพูดตักบีรก็จะทักอะไรก็ไม่ได้นี่ก็นี่คนที่อยู่หลังอิมามนี่ต้องต้องต้องระวังนะเพราะบางทีมันก็เกิดอาการอะไรแบบนี้เรามาคนเดียวมานเดียวเลยมาคนเดียวก็ไม่ดที่ีาแล้วเออมีคนมาทั้งหมดคนมามาสักพีบเราไปลองดูเนี้ยนี่ตัปอิมาได้ม อันนี้ละมาที่ไหนที่ที่ที่มัสยิดน่ะล่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่กรณีว่าถ้าว่าเราเป็นมัสยิดนี่ไม่มีเป็นมัสยิดสัญจรไม่มีจะมาหลักๆกันนะก็เป็นจะมาก็ถือว่าละมาจะมาแต่ถ้าเป็นมัสยิดที่มีจะมาชัดเจนแล้วเราก็มาทําจะมาซ่อนจะมานี่ไม่ได้ม่ได้ผลละบุญของจะมามัสยิดชุมชนนะไม่ใช่มัสยิดสัญจรนะเพราเพราะจะมาซ่อนจะมานี่ถ้าสนออุลาส่วนมากนี่เรา่ามากรุ